ไม่ดะฮะขอโอกาส น, นะครับคือไว้อ่านเจอสัมมาอาชีวะฮะที่พระเจ้าบอกว่ามิจฉาอาชีพที่ควรละเนี่ยฮะคือการพูดโกหกการพูดจาหว่านล้อมหลอกลวงการพูดจาหลอกลวงการพูดจาหว่านล้อมถ้พูดจาให้จับใจจนต้องยอมต ก, ตกลงการการล่อลาบด้วยลาบทีนี่อาชีพที่เกี่ยวพวกนี้เนี่ยแสดงว่าโอกาสคนดีเป็น ทำให้เป็นสมาชิกเป็นยากนะคัาพวกค้าขายอะไรเงี้ยพวกเซลอะไรเงี้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวพรพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้สอนในเรื่องอย่างพ่อค้าที่ที่มีตาดีอย่างเงี้ยก็คือรู้ว่าอะไรซื้อมาเท่าไหร่คุณจะขายไปเท่าไหร่คือรู้จักการเอากำไรได้อย่างเงี้ย รู้ความเหมาะสมแล้วการที่เราพูดาหวานล้อมให้เขาซื้อของเนี่ย ม, มันผิด ม, ม, มันไม่ฉากรู้อย่างไงเราก็อยากขายของอันนั้นมันเจตนาไม่ดีเจตนาที่ไม่ดีพูดหวานล้อมด้วยเลนะ่จะมีจำนวนหนึ่งใช้เล่ในเนี่ยพูดหวานล้อมให้เขาหลงผิดเข้าใจผิดอย่างนี้เกิดของเราไม่ดีเราก็บอกเนี่ยของเราดีคือพูดหวานล้อมให้นั่นแล้วก็อย่างเรื่องลาบต่อลาบเนี่ยอย่าง อาตมามองว่ามันเป็นพวกแบบว่ามิจฉาชี พ, อพ เ, อเอาลาบนิดๆหน่อยๆเนี่ยแล้วจะเอาเอาทรัพย์จํานวนมากของเขาเนี่ยเอามาล่อลวงเนี่ยควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วพวกที่ส่งชิงโชคอะไรพวกนี้ที่ว่าของแถมของอะไรไม่เกี่ยวเลยซื้ อ, อนี่แถมนี้อะไรเงี้ยแล้วว่าเอาให้สง่สงไปชิงโชคเอารางวัลอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวอะไม่เกี่ยว น่าจะเป็นแบบพวกแก๊งตกทองอ่ะออเอาของไม่ดีไปแรกของดีอะไรเงี้ยเออเอาเอาของดีมาหน่อยนึงแต่ไปหวังจะเอาลาบใหญ่ของเขาอย่างเงี้ยหลอกลวงเหมือใช่ใช่โอ้ยทั้งนี้ก็โอ้ําอนมีชีวิตยากมากเอเลยเลี้ยงชีวิตไม่ได้เลยอย่างนี้นะเข้าใจนะครับขอบคุณมากนะครับหอยข้อครับเออ ในหนังสืออนาปานสติทำสัญญาสชิรปการนี่นะับถ้าเราทำตัวสุดท้ายคืออนาปานสติเนี่ยเราจะได้ทำหรือพิจารณาประจักษ์แล้วรวมถึงสัญญาข้อหนึ่งถึงข้อ9้าด้วยใช่ไหมครับซึ่งมีอ น, นิจจสัญญาอนตัตตสัญญาสุภสัญญาปหาสัญญา uh huh. สัพโล สัพโโลเกออาณาพิรตตาสัญญาสัพพะสัพพสัพพะลาสุอันติสัญญาตัวสุดท้ายก็คืออนาปานสติถ้าเราทําอนาสติอย่างเดียวเนี่ยก็ถ้ากระทันที่ตั้งเก้าตัวข้างหน้ากันนฮะก็อยู่มาได้นม่เลยผมผมมาขอต่อยอดพระอาจารย์แต่แต่ก่อนที่จะถึงตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็ ได้รับการรักษาไปตามฐานะนะฮะจักก็ <c oughs> ค่อยเก็บไปใช่ไหมครสุดท้ายต้องมาลงเอยที่อนาปาก็อย่างเราจะเล่นอนาปาเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงไหมเห็นนะเห็นเห็นหนะเราก็ได้อันนี้จะสัญญาได้ไหมครับได้ทุกขสัญญาเราเห็นความดับมาเวลาจเจริญอนาปาเราก็เห็นสิ่งหนึ่งดับไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเราก็ได้ทุกขสัญญาอานาตสัญญาเราก็ได้ เมื่อเราเห็นเกิดดับเรื่อยๆอ๋อมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวอย่างก็ได้อนาตตานะแล้วอย่างอั น, นิี้สงของการเจริญอนาปาผู้เจ้าบอกว่าความคิดอันเนึ่งด้วยเย่าเรือนเนี่ยก็จะหมดไปนะนั่นก็คืออะไรอะไรในโลกทั้งโปวเนี่ยไม่มีอะไรน่ายินดีครับมันก็ได้มาเอง<ห>นะแต่แต่พุกคุณบางคนเนี่ยกว่าจะมาเจออนาปานาสติกนี่คาดจะเจออันนี้จะสัญญา ก, ก่อนก็ได้ใช่ไหมนัสัญกาก่อก็ได้ใช่ไหม แต่สุดท้ายก็ต้องมาลงเลยที่อนาปาใชมันไม่จําเป็นนี่จสัญญามันก็เดินเข้าประหันได้เลยโอ้ทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งเก้าประการเป็นเท่านั้นะฮะอ่าฮะโอ้ออขอบคุณนาปาก็เป็นแค่มรรควิธีอันหนึ่งเองแต่เป็นมรรควิธีที่พระศาสดาเนี่ยสันเสริญไว้ก่อนพงศ์ตัดสรุปพงศ์ก็ใช้ตัวนี้ตัดสรุปแล้วก็ยังใช้ตัวนี้ เป็เปวิหารธรรมขึ้น อ, อยู่แทบทุกครั้งที่จำพรรษาเป็นวิหารธรรมที่พระงศ์สันเสริญว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเป็นเครื่องอยู่ของอริบุคคลอย่างนี้บอกนี้ส่งไว้มากเล ย, ยแล้วก็หยิบเอาอันที่พระองค์พระองค์เนี่ยสรนเสริญชมไว้เนี่ยมาประพฤติปฏิบัตินะพระพระองค์บอกมาหาชนเนี่ยจะเดินตามที่พระงค์สรรเสริญเอาไว้ แต่ตัวก่อนๆนั้นเราปฏิบัติก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่พุนท้ายต้องมาเจออนาปายอยู่ดีนะฮะโอกาสที่จะเจอมีมีมีไม่กางอย่างก็อยู่ที่ว่าเวลายอมเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยยอมนึกถึงลมไหมล่ะหรือว่ายมนึกถึงการเคลื่อนไหวรีบดอย่างเดียวนะมันก็แล้วแต่มันจะเจอสองวินาทีเป็นไปได้มั้ยอาจจะเป็นไปได้นะสาวินาทีหนึ่งนาทีห้านาทีมันแล้วแต่ จะบอกไม่เจอเลยยมไม่เคยรู้ลมหายใจเลยทั้งชีวิตมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอืมอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งมันก็เคยรู้ลมหายใจแล้วอย่างนั้นจะเรียกว่าผ่านอนาปาไหมเราไม่รู้ว่าผ่านอนาปาของยมจะหมายถึงอะไรแค่ไหนสั้นยาวแค่ไหนสักครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าขนาดรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดมือเดียวพระเจ้าก็ยังชมเลยะอย่างนี้อืมก็ ก็กคล้ายกับว่าเอทรมสัญญาสิบประการนี่ถ้าเบอร์เราเรารู้ประการใดประการหนึ่งก็จะรวมไปด้วยนะฮะคล้ายๆกันนั่นนะฮะอย่างเช่นมันรู้ตัวแรกออันนี้จะสัญญาอย่างนี้ขันห้าไม่เที่ยงนะฮะถ้าเราทํานี้ไปตลอดแล้วก็เข้าใจคําว่าไม่เที่ยงเดียวใช่ไหมเข้าใจคําว่าไม่เที่ยงเออไม่เที่ยงทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงที่พ่ามัอเห็นเกิดดับก็ได้ขันห้ามันไม่เที่ยงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าแต่ถ้าอไม่เคยรู้จักอนาปาเลยมันมันก็ผมผมผมผมก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะรวมกันได้ว่าธรรมสัญญาเสจประการเนี่ยรู้ประการใดประการหนึ่งเนี่ยมันก็โอเคใช่ไหมที่จะเข้ามารรคผลที่ผ่านแต่เพราะว่ารู้ธรร ม, มะเป็นบทเดียวก็ใช่เ<อ>ขาบอกไปแล้วก็พระเจ้า<อ><อ>บอกเนี่ยอย่างอ น, นิจจสัญญาเนี่ย ผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่าเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาวังได้คือพระระหันพอไม่ลายอย่างเดียวเนี่ยแล้วจะเอาคำอะไรมายืนยันอีกอะแล้วยอมจะโยงไปอะไรอีกอะใช่จะโยงไปให้มันเป็นอนาป่าก็อันนี้เห็นไม่เที่ยงแล้วเนี่ยถึงพระระหันแล้วเนี่ยใช่ไหคนจเจริญอันนี้จะสัญญามากผู้เจ้าบอกจะได้อะไรจะเห็นทุกขสัญญา โยมเห็นไม่เทียงมากๆเดี๋ยวก็เข้าใจทุกขังเองไงพอเข้าใจทุกขงังวิ ญ, ญญาณดับปุ๊บโยมปล่อยวางไม่อยากได้วิญ ญ, ญาณดวงหมย่ยโยมก็หลุดพ้นเลยยังไม่ทันผ่านอนาป่าก็ได้ครับผมพายยะฟังทำแล้วหลุดพ้นเลยยังไม่ทันผ่านอนาป่าเลยนะสักแต่ว่ารู้รู้ปล่อยวางหลุดพ้นทําไมมันจะต้องโยงมาอนาป่าทุกครั้งละ่ะอย่างเงี้ยอืมหนทางหลุดพ้นมีต้องเยอะอ่ะ ใช่ไห ค, ครับขอบคุณครัอาจารย์ครับขอบคุณขออ่านครับอาจารย์เออตรงนี้ที่ว่ามีมีบทพระสูตรที่ว่าสิ่งสิ่งบนพื้รู้แจ้งฮในสิ่งนี้ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สิ้สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาได้เดี๋ยวรอบอบๆคือสิ่งที่พี่พูดกีนี้คืออาจจะเป็นเป็นหลายๆอย่างที่เข้ามา เข้าทางใดทางหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ถูกต้องใช่อย่างพูะเจ้าบอกคนทางเข้าสู่วิมุตห้าทางเนี่ยใช่ไหแสดงธรรมแก่พิสุกก็ได้แสดงธรรมแก่คารวาสนะสัจชายะสาธยายธรรมคิดติตรึกในธรรมนะเข้าชันหนึ่งสองสามสี่อย่างเนี้ยได้ตรงเยอะนะอี่ยขอเรียนถามเพิ่มเติม น, นิดว่าแล้วอะไรคือเหตุที่ปัจจัยที่ว่า แต่ละคนเนี่ยจะมีอนุสัยที่อาจจะบางบางท่านอาจจะชอบอนุตจรสัญญาบางท่านอาจจะอานาปานาสติตัวเหตุปัจจัยที่จะทำให้อ่แต่ละคนเนี่ยเข้าไปถึงจุดที่ตัวเองที่อยากจะเข้าไปถึงในในในนิพพานหรือว่าในตรงนี้ฮะเหตุปัจจัยมันมีอะไรบ้างครับตัวเหตุปัจจัยก็คือตัวองค์มรรคที่เราเดินแต่เราเดินองค์มรรคอันไหนล่ะใช่ไม ม, มักวิธีอ่ะมักวิธีที่หลากหลายที่พระเจ้าตรัสไว้นั่นนะอเราใช้มักองไหนแล้วก็นั่นก็คือเหตุปัจจัยที่จะนําพาเราเข้าไปสู่นิพพานนะสู่ความเข้าใจว่าขันธ์ห้าเน่ไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> คือหลักๆเนี่ยอย่างที่พระเจ้าบอกเนี่ะเราต้องเห็นอะไรเห็นลดอร่อยของขันธ์ห้าเห็นโทษของขันธ์ห้าและเห็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากขันธ์ห้า เพราะเรากำลังมายึดติดกันท่าคิดว่าขันท่าเป็นตัวเราเราก็ต้องปล่อยวางขันท่าใ้ได้และจะปล่อยวางยังไงในเมื่อเราพอใจขันท่าอยู่เราจะวางความพอใจในอะไรได้ต้องเห็นโทษของมันใช่ไ่าถ้าเราเห็นโทษของมันเนี่ยยศวางได้แน่นอนแต่โทษของขันท่าคืออะไรผู้เจ้าบอกขันท่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือโทษของมัน มันแปลเปลี่ยนไปได้มันไม่อยู่คงที่นั่นแหละบุคคลใดมาตามเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองเนืองเนี่ยคนนั้นก็จะถอนอุปท า, านความยึดมั่นออกจากสิ่งนี้ได้เราก็ต้องกลับมาสร้างเหตุเนี่ ย, ส ร, ยสร้างเหตุคือเห็นโทษมันมนี่ในโทษโทษในขันทังข้านเนี่ยในส่วนรูปเนี่ยผมงอกขาวฟันหลุดล่วงหูตาฟ้าฟางหนังเหี่ยวยน่นนะก็พินาไป โทษของเวทนาคืออะไรเวทนาทั้งหลายเนี่ยเดินไปสู่ความดับดับหมดไม่มีเวทนาถาวรไม่มีสุขถาวรทุกถาวรไม่มีพระเจ้าบอกสารีบุตรเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์ใช่ไหมโทษของสัญญาคืออะไรสัญญาก็มีความแปรปรวนไปได้ดับไปได้สังขารก็มีความแปรปรวนไปได้ดับไปได้วิญญาณก็มีความแปรปรวนไปได้ดับไปได้ ดังนั้นใครเห็นการดับการเกิดการดับนั่นแหละคนนั้นกำลังเห็นโทษของขันธ์ห้าและคนนั้นกำลังเกิดปัญญาเห็นสัจจะความจริงของขันธ์ห้าวิชาคือความรู้ก็เกิดขึ้ น, นความที่เคยรักใคร่พอใจในขันธ์ห้าก็จะหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่หลักๆมันตอนนี้ที่เรามานั่งสมาธิเดชจงกรมกันก็เพื่อตรงเนี้ยเพื่อให้เห็นตรงนี้ นเนี่ยต้อลองมองภาพกว้างๆให้ให้เข้าใจอฮ มันไม่คอดซะสีนะพ่อพูมีเห็นตัวอย่างมาหลายวันแล้วนึกถึงไอ้เรื่องคนทันน่ะคนทันเราเรียนหนังสือสมัยเด็กๆเขาจะนึกถึงพวกเทวดานั่งดีดพินอะไรเงี้ยนะแต่การเป็นคนทันเป็นพวกเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้น่ะ ในกลายเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่าลุคเทวดานะคือจริงๆก็เป็นคนทันอย่างนี้ก็นับเนื่องในหมู่ของพวกเทวดาด้วยเหมือนกันอาจารย์ขอการถามนิดค<อ>ในวันที่พระอาจารย์จะไปที่เซ็นทันใช่ไหมอฮะที่วันที่ยี่2 2บเดยี่ิบสองย่ิบสามเนี่ยมีห<อ>นังสืออ่อ จำหน่ายด้วยป่ะัจะได้ยังไม่มียังไม่มีน่จาจะยังไม่เสร็จนะ oh. ตอนนี้เรียกว่าเช็คเขาบอกเช็คกันวันต่อวันเ็เร่งเร่งกันเต็มที่แล้นะก็จริงจริงการการไปบรรยายตรงนั้นก็ยังเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่จะมีโยมเขาพยายามทำให้เกิดกลุ่มใหญ่ขึ้นเช่น อ, ออกรายการทีวีอย่างนี้ ก็กำลังประสานรายการทีวีอยู่สองรายการนะแล้วก็สื่อ <c oughs> มิทยุก็ตามบอร์ดใหญ่ๆต่างๆในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะขึ้นเรื่องของหนังสือพบปูุงอย่างนี้ก็ทราบว่ า, า, าเจ้าของบอร์ดจะทำให้ฟรี <c oughs> <c oughs> มาได้ ได้เข้าไปฟังซีดีพุทธศานะแล้วก็เกิดความศรัทธานะก็ไม <c oughs> ่ลองดูแผงโฆษณาในกรุงเทพอาจจะได้เจออ <c oughs> าจารย์ครับ <c oughs> ตกลงนี่พบภูมิเนี่ยพื่อนหนังสือยังไม่ออกแต่อยากรู้ว่าตกลงนี่มันมีกีุ่พบภูมิเห็นว่าสี่สิบกว่านี่กว่าเท่าไหร่ โอ้มันเยอะมากเลยยอม7จ8 0สิบแปดสิบอะไรนู่นน่ะนะแต่ก่อนเราเข้าใจว่าส1มสิบเอ็ดอแต่ก่อนเขาพูดกันสามสิบเอ็ดอ่าแต่พอหาจริงๆแล้วต้องเจ็ดแปดสิบเลยอ่ามันก็เยอะนะลองไปนับในผังที่ขึ้นในเว็บนั้นก็ไม่รู้เท่าไหร่ละนะอืมเยอะเซวดาที่เรียกว่าวเวลาหกพวกนี้เป็นพวกเมฆ ติดยมไปฝังในอะไรนี่มันไปเกิดได้หมดเลยนะอืออ่ะฟูจิเหรอ t o จำกัดสาขาท t t อ๋อไม่เคยมาที่นี่เลยพิออ่งมาั้งแม่ นี้จะเรียนถามอาจารย์นิดหนึง่ง น, นะคะในเรื่องอ<า>ของการสวดมนต์นะคะเพ<า>ราะปกติจะเป็นผู้ที่สวดมนต์บ่อย อ, อ๋อค่ะทีนี้การสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นการทําสมาธิไหมคะการสวดมนต์ผู้เจ้าบอกเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตต์นะเป็นหนทางที่เข้าถึงวิมุตต์ได้เลยนะแต่รายละเอียดมันมีนะไอ้สวดอย่างชาวพุทธทั่วไปเนี่ยน่าจะไม่ถึงวิมุตต์นะ สวดพระไตรปิฎกอะไรอยู่พระไตรปิฎกมันถูกหมดไหมเนี่ยต้องพุทธวจนะสิพระไตรปิฎกมันใช่พุทธวจนะทั้งหมดไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ไอ่านะถ้าต้องสวดคําศาสดาของเรายอมจะไปสวดคําของใครอ่ะอ่าดังนั้นเราก็ต้องเช็กก่อนในบทที่เราสวดนะเป็นคําศาสดาเราหรือเปล่าหรือว่าคําที่แต่งขึ้นใหม่เนะอะก็ต้องแยกแยะ เขเรียนภาษาในข้อนะคะเทวดาอินทกะคือเทวดาเทวดาอะไรเนาะเทวดาอินทกะอค่ะอินทกะเหรอมาจากไหนนะคือหนูเคยไปทำบุญที่วัดวัดหนึ่งอะนะคะแล้วก็มีรูปเป็นเทวดาอินทกะก็เลยเกิดขศาไม่เข้าใจอยากไปถามเพิ่มเติมอ่าในนี้ก่อนดีกว่าในที่มันเกิดในเนี้ยแต่งขึ้นใหม่ คือเรื่องที่เรารู้มาถ้าไม่ใช่พุทธศนะเนี่ยโยมบางไปก่อ น, นอต้องรื้อสมองให ม, ม่ว่าคำแต่งใหม่พระเจ้าไม่ให้ไปสนใจน <c oughs> รเรียนถามอีกข้อนนะคะค่ะการที่เรามีพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านนี้ถ้าว่าถูกต้องหรือเปล่ามีไปทำอะไรอะ่ะงเดียวมี <S <S มไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็<อ>จะมาอยู่หรือเปล่าตั้งอยู่ร้านค้าดีๆพอมาอยู่ ที่บ้านเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยเดยวอยู่ที่ร้านค้าก็ไม่มีใครสนใจก็ไม่มีในคำสอนพระศาสดาก็เป็นลัทธิอื่นน่ะเป็นเรื่องของลัทธิอื่นเป็นความเชื่อของผู้ที่ยังต่ำกว่าโสดาบันบุคคลก็จะแสวงหาที่พึ่งที่ผิดผิดไปเรื่อย ซึ่งพระศาสดาเรายืนยันว่าไม่ใช่ที่พึ่องอันกเกษมไม่ใช่ที่พึ่องอันสูงสุดอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยหลุดพ้นไปจากความทุกข์ไม่ได้ชีพายสารพระภูมิจะเจ๊งแล้วมึง น, นี่นีนะ่จะมาบ่นนะท่านมาขออนุญาตนะครับอาจารย์ <c oughs> เมื่อกี้พี่เขาถามเรื่องอินทกาน่าจะเป็นอินทะที่เป็นโอรสของอ่เทา้าจตุรคบานทั้งสี่ที่ชื่ออินทาทั้งทั้งเก้าสิบเก้าสิบรอ้อยองค์่ะคะที่ชื่อเดียวกันหมดนะคะใน อ, อาตนาสิยาบาลิตะจะมีบอกออกล่าวเกี่ยวกับอินอพระราชาในทิศเหนือทิศใ ต, ใต้ก็คือเช้าจตุรคบานมีลูกชื่ออินทาหมดทั้งร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาจะกล่าวถึงองค์นี้มาค่ะ เทวดาชื่ออินทาผู้เจ้าพผู้เจ้าเอ่ยถึงมีอในอาตนาติยะปริธาอาฮะอืมอาตนาติยะสูตรที่เขาสูดสวดอกันกันพวกอสุรกายเวลาพิสุขเข้าป่าแล้วเจอพวกนี้ยค่ะอ่าแล้วพผู้เจ้าเทวดามาบอกให้ผู้เจ้าบอกว่าถ้าเกิดพิสุขเข้าป่าแล้วกลัวผีกลัวไอ้พวกอสูรกายเนี่ยให้สวดอันนี้แล้วเขาจะกลัวแล้วเขาจะไม่กล้ามายุ่งกับเราอะค่ะอืมกรณีพิสุขเข้าป่านะคะที่โดนผีหลอกอะคะอาฮะ ยังเคยสวดเพราะว่ากลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยสวดเอาไวะคะ้ค่ะแล้วเท้าจ้าจูโรกบาลเป็นคนมาบอกผู้เจ้าเองค่ะว่าถ้าเกิด<อ>ที่สุดเข้าป่าแล้วไปอยู่คนไม้อย่างเงี้ยแล้วมีเทวดาประจําอยู่ะค่ะ<อ>แล้วบางทีเขาก็ไม่อยากให้อยู่ก็อยากให้ไป เ, <อ> <ๆ S 2> เขาก็เลยมาแกล้งมาหลอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสวดอาจานาศีอาอ ป, ปรลิตแล้วจะไม่ไม่โดนหลอกอ อ, อันนี้เทวดามาบอกผู้เจ้านะคะ ก็มีการเล่าอยู่ในพระไตรปิฎกไหมคะเเลล่่าาก็จะใช่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่3พระสุตาตานตปปกเล่มที่3ะคะ่ะหน้า150ยห้าสิาสกว่าไปลองเช็คดูก่อนนะอาจารย์ลองดูะคะ่ะ <laughs> ต้องอ่านให้ครบทั้งหมดกันสูตรมันยาว อาจารย์คะถามนิดนะะึงค่ะคื อ, อมีอยู่พระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอริย ะ, ะจะไม่ถึงความเป็นอาคติสีแล้วทำกรรมด้วยอาคติสีคือยองก็ยังมั่นใจว่าอาคติสีนียจะไม่มีในพระอรหันต์แต่ว่าโซดาบันสกิท า, า, าคานะคะยังมีอาคติ4ีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยินยันก็รักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรัก รักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากเกลียดนี่พูดคนละเรื่องกันนะอคติสี่ที่มีฉันทาล่เที่ฟังอาตมาอนสี่โยมพูดของโยมเนี่ยอาตมากําลังพูดของอาตมาแบบหนึ่งแล้วก็จะให้โยมเอาไปเทียบเคียงเอาไปเทียบเคียงว่าไอ้รักเกิดจากรักรักเกิดจากเกลียดน่ะอะไรพวกเนี้ยอารมณ์สี่อย่างเนี้ยจะหมดไปในผู้ที่เข้า ชั้นหนึ่งสอามสี่อันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าบอกจะหมดไปในพระหลานลดังนั้นผู้ที่ต่ํากว่าพระหลานก็ยังมีเว้นผู้ที่ต่ํากว่าพระหลานแล้วเข้าชา้นหนึ่งสองสามสี่ก็จะไม่มีดังนั้นก็คือไม่มีชั่วคราวดีที่ไม่มีชั่วคราวช่วงนี้เข้าฌานนะออกมาก็ยังมีแก่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีถาวรคือเป็นพระหลานนะนะ นั่นมันก็มีธรรมดานี่คือสิ่งที่โยมเถียมกับผู้อภิธรรมอะคะ่ะเขาบอกว่าไม่ตั้งแต่โสดาบันก็ไม่มีแล้ว uh huh. แต่โยมไปเจอในพระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับอนาคามียคะ่ะพระเจ้า huh. ยังบอกว่ามีอาคาัคติมีอุบัติยังไปเกิดเป็นอนาคามีชั้นสูทานว่าทนมีอายุอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าอนาคามีก็ยังมีอาคาัคติมีอาคาติกอุบัติสองอย่างเมื่อกี้โยมก็เปิดเจอก็เลยมั่นใจว่าถ้าจะเป็นโสดาบันขึ้นไปยังไม่ถึง อ, อหรหันต์ก็คือยังมีอัคาติ ยังมีอคาาติอยู่เอ่อความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันต้องอยู่ว่า เ, เกิดมาจากเหตุเกิดอะไรในส่วนอายจตนะห้าของกายหรือเปล่าถ้าห้าจนาห้าของกายเนี่ยก็คืออนาคามีละได้แต่ในส่วนของจิตเนี่ยยังในส่วนของธรรมลมก็ต้องแบ่งแยกไปตรงนั้นอีก คำถามสาข้ามที่ตกค้างเมื่อคืนนะจาก USA บอกอยากแนะนำให้ผู้ใหม่กรุณาฟังซ d หรือดูที่ YouTube ของอนิรทุกนะใช่ไห ม, มให้มากๆดูซ้ำหลายหลายครั้งขอรับรองว่าท่านจะได้ความรู้เต็มที่จากประสบการณ์ของตนเองที่ได้เข้าใจในคำสอน เพราะอาจารย์คิวลิตันได้อธิบายไว้มากอย่างละเอียดพยายามทความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะคำตอบที่ท่านสงสัยนั้นมีอยู่แล้วมากกว่าใน CD y o ยูทู e ที่มีอยู่แล้วมากกว่ามากใน CD และ YouTube จะได้เข้าใจและจะได้ไม่มีคำถามที่ซ้ำๆอีกในค่ำวันเสาร์ ก็เป็นการเสียเวลาและเน้นช้าสําหรับคําถามที่เล็กซิ่งกว่านี้ก็เขาอาจจะแนะนําให้ไปทํากันบ้านสักนิดหนึ่งก่อนนะว่างๆก็นั่งดูเล่นๆไปก่อนนะแล้วก็จะฟังซ้ําบ่อยๆ อ, อันนี้จากที่สารัฐเขาก็าส่งมาก็มีโยมที่ต่างประเทศนะดูซ้ําเรื่อยๆ เ, เนี่ยก็เข้าใจแล้วก็บางทีก็ <c oughs> ทําเป็นอ่า ข้อมูลขึ้นยูท b e ด้วยเหมือนกันจากลำลุกกากระผมได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำของตถาคตโดยมีท่ า, านพระอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดบอกสอนมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งซึ่งผมมีความศรัทธาและอย่างลงมั่นและเชื่อว่ากรรมไม่มีใครบันดาลให้เราได้ตอนนี้เลิกหมดแล้วครับไม่ว่าพระเครื่องพระพิกรณ์สารเจ้าที่นี่เยอมด้ยนะพกสารเจ้าที่ นี่เขาเลิกแล้วใครยังไม่เลิกเขายืมเลื่อยที่วัดไปได้เา่ายังไม่ได้สร้างก็ดีไม่เปลืองตังค์และตั้งใจจะบวชที่วัดนี้ด้วยเหตุผลสองอย่างก็คือ<ม>หนึ่งพระอาจารย์ถ่ายทอดบอกสอนพุทธวจนะนะคำของพระศาสดาล้วน ซึ่งแตกต่างจากวัดแสถานที่ปฏิบัติธรรมอื่นๆ2ที่นี้ไม่ใช่พุทธพาณิชย์ไม่มีการจําหน่ายวัตถุมงคลสื่อธรรมต่างๆก็มีขึ้นด้วยเจชื้อันิกงามของท่านพระอาจารย์ในคณะสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ได้มีโอกาสมาฟังและปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยช่วยกันทําและช่วยกันเนผยแพร่คําของต ถ, ถาคต ก็วพวกเราทุกคนก็ช่วยกันอย่างพบปูมีเจามาได้ก็ช่วยกันบริจาคเข้ามามากมายนะก็ได้เป็นหนังสือ <c oughs> แล้วก็โยมโยมชื่อยมผู้นะก็ได้ตั้ง ลงทุนให้ในการไปจำหน่ายที่ซีเอ็ดนะก <c oughs> ็ลงทุนในตลาดการขายนะอ่าจากลำลูกกาตั้งใจจะถามเกี่ยวกับราตาผลในปัจจุบันแต่ระหว่างพิมพ์คำถามก็ได้คำต อ, อบก็ดีเพราะการเปิดฟังถ่ายทอดสดพุทธปนะยามเช้า ซึ่งพูดถึงเรื่องนี้พอดีได้คําตอบแล้วครับหลายครั้งที่สงสัยอยากถามมักจะได้คําตอบโดยไม่ต้องถามข้อที่2หนังสือพัปูมที่จะมีการจัดจําหน่ายตามร้านหนังสือผมเห็นด้วยกับการทําการตลาดแนวนี้นะก็ไม่ไม่ได้เชิงเป็นการทําการตลาดแล้วแล้วก็แบบมีคนอยากจะช่วยให้ ให้มันมีในในทุกๆุระบบ <c oughs> การขายะนะหรือว่าทุกอย่างที่มันมีหนังสือธรรมะเพราะหนังสือธรรมะผิดเต็มไปหมดเลยก็ยังมีได้เลยทําไมจะมีหนังสือธรรมะที่เป็นคําอนศาสนาของเรามีไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมอ่าต้องมีได้ต้องมีทุกแผงหนังสือเลยยิ่งดีใหญ่เลยนะอ่าเพราะจะทําให้เป็นการเผยแพร่ไปได้กว้างขวางและลดเร็วเข้าถึงคนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น ยังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นอาจทําให้คนภายนอกที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวิชชากับทางวัดมาก่อนไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายในการทํางานครั้งนี้เข้าใจผิดคิดว่าทางวัดหารายได้เข้าวัดกลายเป็นพุทธบาลนิตซึ่งทําให้ผมคิดว่าไม่เห็นจะแตกต่างจากวัดอื่นพระอื่นไปครับอยากให้อาจารย์ช่วยเน้นย้าว่างานนี้ญาติโยมทําขึ้นกันเองด้วยจิตศรัทธาที่บริสุทธิ์เพื่อเผยแผ่คําของตถาคตเท่านั้นเกรงว่าจะซ้ํารอยเรื่องค่าใช้ใจ่ายการบวชที่หลายหลายคนเข้าใจผิด ไมไ่ปล่อยเขาเข้าใจผิดไปเนะีเราโปรโมทใครเราโปรโมทพระศาสดาคําตถาคตมีคําอาจารย์คึกฤทธิ์อยู่บางควเนี่ยไม่มีเลยนะชื่ออาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ต้องไปจําจําชื่อตถาคตพอแล้วนะยมจําคํำผู้เจ้าให้ได้เอาสมองมาจําคําตถาคตพอแล้วแค่เนี้ใช่ไหมส่วนอาจารย์อื่นเขาก็ชูอาจารย์เข้าไปนะแต่เราชูตถาคตนะยมใช่ไหมแล้วคําใครจะเลือดกว่ากันล่ะ นะคำสาวกจะมาเลิดก่บคำผู้เจ้าได้อย่างไรนะนั้นหนังสือทุกเล่มเป็นคำตถาคตทั้งหมดนะ <c oughs> จากราชบุรีในธรรมของตถาคตกระผมได้ติดตามพระอาจารย์ทางลิทวิดีโอเป็นประจำจนทำให้จิตที่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นขึ้นมาได้จากชีวิตที่ไม่มีความหวังกระผมได้มีความหวังขึ้นมา <c oughs> เนื่องจากธรรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมปรารถนาทุกสิ่ง ทำนี้ทําให้กระผมปฏิบัติตามและตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่กระผมหวังวันหนึ่งกระผมได้ฟังคลิปวิดีโอข้ามวันเสาร์ได้ฟังพระอาจารย์พูดปิดท้ายว่ากําลังสร้างระบบกรองน้ํากับกรมชนกรมซับนะกระผมได้ไปดูงานที่โรงงานเ ข, เข้าเกลียบกรอบมันโนลาที่สมุทรสคร ท่านเจ้าของบริษัทมีความละเอียดสร้างแ่งเก็บน้ำไว้ใต้พื้นอาคารโรงงานเวลาฝนตกก็จะเก็บน้ำได้ปริมาณมากทำให้ประหยัดค่าน้ำไปได้พอควรท่านบอกว่าฟ้าให้เงินเรามามากมายจะปล่อยเงินให้หายไปเฉยๆทำไมโอกาสนี้อาจเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ติดตามพุทธศาสนะได้ไม่มากก็น้อย สุดท้ายกระผมไม่ทราบจะกล่าวแทนคุณอาจารย์อย่างไรนอกจากกระทาอนาปานสติและนันทิและตามคำพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าและเล็กถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายในตอนท้ายของสมาธิกล่าบขอบพระคุณพระอาจารย์คิกลิอย่างสูงที่ได้กับผมได้สะดับในธรรมของตถาคตก็ <c oughs> <c oughs> ผมจะเป็น เหตุปัจจัยของเราที่ได้สร้างมาด้วยนะฟังแล้วเข้าใจบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะจาก Na and, and, นาฮอนแลนด์เบสเนเธอแลนด์ยมีความตั้งใจอยากจะเผยแผ่พุทธวฒนะมากเมื่อเสาร์ที่แล้วยมไม่ได้ชมการถ่ายทอดสดแต่ดูผ่านทาง YouTube ผ่านเว็บพุทธวฒนะสถาบันวัดนาป่าพงษ์ สิ่งที่จุดประกายให้ตั้งใจลุกโชนนี้เนื่องมาจากวัดที่ประเทศสวีเดนก็หันมาปฏิบัติตามหลักพุทธวันะเจ้าวัดพระครูประหลัดเอกพลยมรู้จักท่านเมื่อตอนงานขดถินที่วัดป่าประเทศฝรั่งเศสก็เลยติดต่อไปหาท่านได้พูดคุยกับท่านในเรื่องนี้ท่านตั้งใจเผยแผ่พุทธวันะมากก็เลยมีกําลังใจอยากตั้งศูนย์พุทธวันะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์บ้างเป็นสิทธิ์ตถาคตออนไลน์มานาน ถึงอาจจะไม่นานมากยอมไม่มีสถานที่แต่จะใช้ที่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นยอมมีความลังเลใจมานานแต่ความลังเลใจนี้ไม่ได้มีต่อพุทธวจนะและองคตถาคตแต่ลังเลในความสามารถ <c oughs> ความพร้อมของสถานภาพา่างการเงินของตัวเองและตัวสามีด้วยศรัทธาไม่เท่ากันอยู่กันยากแต่โยมถามเขาจะ่อใช้บ้าน ขอที่บ้านใช้เป็นสถานที่ชมการถ่ายทอดสดเหมือนตัวอย่างของประเทศลาวและสวีเดนเขาทํากันอาจต่างกันรตรงที่ยมไม่ได้เป็นนักบวชไม่มีสถานที่กว้างขวา ง, วางเป็นจุดศูนย์รวมกลุ่มคนเลยขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยยมตั้งใจหลังปีใหม่จะเริ่มดําเนินการแผนดําเนินการคร่าวๆก็ดีนะไม่จําเป็นจะต้องมีสถานที่ใหญ่โตหรอกเดี๋ยวนี้สถานที่ไหนก็ได้ ตั้งคอมเครื่องหนึ่งก็ได้แล้วนะเห็นกันทั่วโลกแล้วนะแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันนะเสบคบธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าน ะ, ะทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะสถานที่ก็ <c oughs> ตามเหตุตามปัจจัยนะเล็กบ้างใหญ่บ้างยมก็บอกว่า 1นเขาจะขอใช้ที่บ้าน2เครื่องรับชมและการถ่ายทอดสดหรือสิ่งจำเป็นที่เผยแปร่ในการเผยแผร่พุทธวจะนะานะสามหนังสือซีดีพุทธวจช ะ, ะที่จัดแจกจ่ายเดี๋ยว น, นี้ก็จะจัดหนังสือซีดีไปให้เขานะเพื่อแจกจ่ายเขาจะเตรียมการต่างๆในเรื่องนี้อย่างที่4ก็เขาจะส่งการเชิญเพื่อนๆค น, นรู้จัก ให้มาทำความรู้จักและบอกลก่าวเจตนาความตั้งใจของเราเกี่ยวกับพุทธวชนะอยากให้ทุกคนสร้างบุญสร้างกุศลให้ถูกตามหลักพระศาสดาบัญญัติเอาไว้สุดท้ายเรื่องชื่อยมขออนุญาตใช้ชื่อบ้านพุทธวจนะเมืองเบสเนเธอร์แลนด์หรืออาจารย์คิดว่าชื่อไหนเหมาะสมนะก็ได้ชื่อนี้ก็ได้ก็แถมวันเดือนปีไปหน่อยก็ดี <laughs> เผื่อใครตั้งขึ้นมาอีกก็จะได้รู้ว่าใครตั้งเมื่อไหร่ที่ไหนนะ ยังคุยกับพระครูประหลัดเอกพลจะชักชวนเพื่อนเพื่อนชาวพุทธศาสนะไปปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนะที่สวีเดนโยมคนหนึ่งที่ยกวัดดอลลารนาวนาลามให้เป็นศูนย์ใหญ่แห่งยุโรปในการทาหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนะถ้าบุญมีบารมีส่งคงได้มีโอกาสเชิญพระอาจารย์มาบรรยายที่ยุโรปางเดี๋ยวรอร่างกายดีๆก่อน นี่เป็นแผนการขั้นละขั้ขั้นแรกพระอาจารย์กรณาช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดตกบกพร่องนะสุดท้ายข อ, อกาขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้โอกาสได้มีโอกาสเป็นรัตนาห้าที่หาได้ยากในโลกค <c oughs> <c oughs> ำถามเช้านี้ก็มีนิดหน่อย มีผู้ชม198ท่านจากไทยลาวญี่ปุ่นน้องกงออสเตรเลียอเมริกากนาดาสวีเดนหนังสือพบภูมิโหลดให้อ่านไหมคะอ๋อว่าจะให้พิมพ์เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นนะนาคามีจำเป็นต้องได้สมาธิขั้นไหนหรือไม่อ๋อไม่จำเป็นสมาธิไม่ได้เป็นเครื่องวัดตัวอริบุคคลนะ สมาธิ9ระดับที่ผู้เชา้าบัญญัติไว้แต่อย่างน้อยก็ต้องมีสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะคือเราเดินมารกองคใดองค์หนึ่งเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้ชาน1ถึงสแต่อกุศลดับไปนิวรณดับเห็นการเกิดดับก็สามารถเข้าวิมุตถหลุดพ้นได้ <c oughs> จากจินตนาสมุดวานิช สวีเดนนะเนื่องด้วยคำถามของโยมที่ทางพระอาจารย์เอกพลส่งมาเมื่อวันนี้เสาร์ค่ำเกี่ยวกับคำขอขมาพระรัชนัตราที่บ้านเมตตาลิสเดนท่องนั้นขึ้นต้นด้วยคำว่ารัตตรัตนตนะตเยขมาเทนะทมารัตะเยนะกักตตังสัพพังปะรังคมัธุโนพันเต อ๋อ oh. เป็นการสวดหลังจากจบข้อในวันที่14กันยา255เป็นคำกล่าวขอขามาพระรัตนาตายครูอาจารย์เลยกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเป็นพุทธวัจนะหรือไม่เพราะการขอขามากรรมเป็นสิ่ง <c oughs> ที่น่าจะดีถ้าเราได้กล่าว ล่วงเกินไปโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามถ้าเป็นพุทธวจนะก็จะได้ทรงจำไว้ต่อไปจำได้ว่าเคยท่องมาเหมือนกันกราบขอบความเมตตาพระอาจารย์ในที่นี้ด้วยในวันที่ส5บ้ามกราคมนี้พวกเรากลุ่มพุทธวจนะจากสวีเดนจะมาปฏิบัติธรรมเป็นเวลาเจ็วันที่วัดนาป่าพงศิบ้ามกราหรอโอ้บินมาไก่ คุณวันวิสาน่าจะติดต่อมาทางท่านพันเตตโตโตแล้วค่ะก็น่าจะไม่ใช่นะแต่คําคือคําขอก็มาคําที่กล่าวกล่าวเปิดเผยความผิดเนี่ยคือใครจะพูดยังไงก็ได้ไงไม่ไม่ได้มีรูปแบบอย่างพระเจ้าชาติศัตรูก็มาเปิดเผยความผิดของตัวเองนะยังใครทาผิดอะไรก็ก็มาเปิดเผยความผิดของตัวเองตัวเองเคย ข้าบิดามารดาก็บอกเออผมเคยฆ่าบิดามารดาแล้วเนี่ยกระผมเนี่ยรู้สึกมีความผิดเ่ยก็มาขอเปิดเผยความผิดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรอย่างเนี้ยนะเขาก็บอกความผิดตัวเขาเองอย่างสุสีมะเนี่ยปลอมมาบวชด้วยหวังจะเอาฤทธิปฏิหารไปแล้วก็ไปหากินอย่างเนี้ยเขาก็มาเปิดเผยว่าเออข้าพระองค์เนี่ยเป็นอ่าอืมเป็นคนไม่ดีเป็นคือมีจำนวนการพูดของเขานะแล้วเขาก็บอกว่าที่ พระองคเนี่ยปลอมมาบวชแล้วก็หวังจะมาเรียนรู้เรื่องอิทธิปฏิหารอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สํานึกผิดแล้วเลยเนี่ยแต่ละคนก็จะพูดต่างกันไปอะ่ะไม่มีอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าใครก็าตามมาพูดบอกความผิดอะไรก็ตามเสร็จแล้วพระเจ้าจะตอบอยังไงพระองค์จะตอบว่าผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมเขาเห็นโทษนะโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมถึงความสํารวมระวังต่อไป นี่เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นนะอ่าพระองค์ก็จะตอบอย่างนี้ทุกคำมันจะมีความหมายหมดคือคนเราเนี่ยต้องเห็นโทษโดยความเป็นโทษการกระทำนันมันมันเป็นโทษนะแล้วเห็นการกระทํานั้นโดยความเป็นโทษว่าเห็นอันนั้น่ะมันเป็นความผิดจริงๆนะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทํากืนตามธรรมนะแล้วก็ถึงความสำรวมระวันต่อไปอันนี้แหละจะเป็นความเจริญ ในอริยวินัยของผู้นั้นคนคนนั้นจะมีความเจริญในชีวิตต่อไปนะดังนั้นถ้าเขาไม่เห็นโทษ <c oughs> โดยความเป็นโทษเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเนี่ยแหละในคาของผู้ช้าจึงมีความสำคัญเขาต้องเห็นว่านี่คือโทษโดยความเป็นโทษนะแล้วเขาก็กระทำคืนคือละเลิกนะตามธรรม อาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเราเป็นค า, ารวาสเนี่ยค่ะเราเกิดคาผิดอะไรเนี่ยเราจําเป็นต้องไปบอกกับใครไหมคะถือว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นโทษแล้วแล้วเราก็สํานึกผิดแล้วเองอะ่ะแล้วก็กระทําให้ดีเองโดยที่ไม่ต้องบอกใครที่ถือว่าเป็น uh huh. ทําในอริยวินัยหรือเปล่ารเราไม่จําเป็นต้องไปบอกทุกคนวา่าเราเคยทําชั่วแบบนี้มาก่อนเราทําอย่างนี้มาก่อนคือเราสานึก uh huh. เองอะ่ะแล้วเราก็เลิกทําไปเองแล้วเราก็ uh huh. ตั้งตัวใหม่ทําตัวใหม่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะก็ได้ได้ได้ได เราก็กลับมารักษาสินท่าให้ดีนั่งสมาธิเจริญมัสมีองค์แปดนะเกิดไม่มีใครในโลกที่จะเปิดเผยความผิดให้เราก็อดความดีเลยาะบางทีเนี่ยเราจะไปขอโทษก็ไม่ได้อยาเช่นเคยทำไม่ดีกับพ่อแม่สูงพ่อแม่เสียไปแล้วเราก็ไปขอโทษกับท่านไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีภรริยหรือคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราจะบอกกับเขาได้เงี้ยเราก็สํำนึกเองแล้วก็เริ่มเองทําตัวใหม่เองแก้ไขความผิดเองก็ถือว่าใช่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ก็นั่นเราก็พึ่งตนพึ่งทําแล้วไง เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนมาตามอะไรเราเปลี่ยนมาตามธรรมะของพระศาสดานะไม่ใช่แบบว่าเออสำนึกละไปบูชาไฟดีกว่าจะได้ดีขึ้นอย่างไปคนละเรื่องนะอ่า ไม่นี้กระทาคืนตามธรรมนะครับพระอาจารย์ครับเมื่อกี้โยมเปิดอาตานาติยะสุรเช็คอีกรอบตั้งแต่หน้าร้อยสีถึงร้อยหคอนเฟิร์มว่าเป็นพุทธวจนะค่ะเพราะว่าตอนจบพุทเจ้าเอามากล่าวให้พี่สุฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามีเทวดามหาแล้วพูดว่าอย่างนี้นี้นี้กอบซีมาเลยจนจบอะค่ะพี่คนนี้เขาก็เปิดเปิดแล้วคอนเฟิร์มเขาก็อ่านด้วยกันเลยบอกพระอาจารย์นะคะอยู่พระสุตตันติโดเล่นที่3หรือว่าไต่ไปโกเล่นที่11 อ่ในนั้นหน้าตั้งแต่ร้อยสี่สิแปดถึงร้อยห้าสิบเจ็ดนะคคนทำเว็บฟังด้วยเนาะแต่ถึงข้ะสูตรที่อาจารย์เคยบอกอย่างภาษาิพุทธนั่งสมาธิอยู่ยักษ์ตีหัวก็ยังไม่เป็นไรฮะอยใจโยงที่เดียวไม่ต้องท่องก็ได้พูดถึงว่าถ้าเราถ้าเรามีธรรมะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอาจารย์เราสมาธิเข้าสู้อะไรอย่างเงี้ยอฮ คิดว่าถ้าตายก็ต้องตายเลยเพราะมีเรื่องหนึ่งะค่ะพระอาจารย์หรือว่าจะเล่าเล่าสู่ฟังประสบการณ์ตรงออืคือพอดีเพิ่งเพิ่งเสียญาติไปอะคะ่ะเขาาก่อนเมื่อสักสองเดือนก่อนเคยมาเรียนถามพระอาจารย์คือมาเล่าฟัง <c oughs> ว่าคือญาติเขาอยู่อเมริกาแล้วเขาเป็นมะเร็งแล้วทีนี้เอเมื่อวันที่ที่หนึ่งเขาเพิ่งเสียไปอะค่ะพระอาจารย์คือโยมก็รู้สึกคือ <c ười> ปีนี้เสียญาติไปสองคน Uh huh. รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบแบบประเภทแบบจะเข้าประตักแล้วตอนนี้เริ่มแบบจะวิ่งอย่างเดียวแล้วยอม uh huh. ก็คือแบบเห็นเห็นศพของของพี่สะพายเนี่ยคือก็มีความสลดสังเวชมากแต่ที่ที่แบบว่ามีกําลังใจมากกับพระจางคือปรากฏว่าคือตั้งแต่เขาเริ่มรู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วพออทางศิริราชเนี่ยเขาก็มีการตรวจการรอช่วงผลที่รอนมันกระจายนะฮะ กระจายแค่เดือนเดียวเนี่ยกระจายจนเป็นระยะสุดท้ายเลยแล้วก็ครั้งแรกที่ไปเยี่ยมเขาที่สถาบันมะเร็งเนี่ยก่อนก่อนกระถิ่นประมาณสักสองอาทิตย์นะคะเขาก็ตอนนั้นกําลังจะคือกำลังใจเขาสู้ตลอดแล้วเอาหนังสืออาซีดีไปให้เขาเขาบอกเขาไม่ยังไม่ได้เล่าว่าเป็นของใครอะไรยังไงเขาก็เห็นหน้าเขาก็รู้เลยว่าเป็นของพระอาจารย์ทลิดโยงก็ดีใจเพราะว่าเขาก็บอกว่าที่อเมริกาพระอาจารย์ดังมากยงก็รู้สึกดีใจปิติว่าเขาารู้แล้วเขารู้ทางรอด ตอนนั้นนะคะพระอาจารย์ปรากฏว่าเขาก็สู้ด้วยภาวนามาตลอดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่ไปเยี่ยมเข้าวันที่29ที่ผ่านมานะคะคือคือกลับไปบ้านแล้วเขาเขาก็ตอนนี้คือย้ายไปอยู่ที่ที่ตัวจังหวัดลบบุรีแล้วไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือคือนอนร อ, อความตายอย่างเดียวแต่คือเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่เขาไปนอนสถาบันมะเร็งเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาให้ยาคือคือรักษาด้วยยาแล้วก็สู้อะไรแบบนั้นแต่ตอนหลังนี่มารู้ว่าเขาเนี่ย ตั้งแต่เขาไปวันแรกที่ที่เขาไปรักษาเนี่ยไปตรวจไปอะไรเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายที่เขาหมดลมเนี่ยคือเขาไม่ได้รักษาอะไรเลยคือสู้ด้วยภาวนาอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์โอ้ยมนี่แบบว่าคือยมไม่เคยเห็นคนคนใจขนาดนี้เลยเคยเคยรู้เคยเห็นแต่แต่พระอะไรอย่างเงี้ยเขาที่เขาสู้ด้วยภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คือตัวเขาเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลนี่คือให้น้าเกลือคือเขาก็กินอะไรไม่ได้เลยกินที่เขาที่เขาไปเร็วเพราะว่าเขาไม่สามารถ อาหารเขาเนคือเข้าไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางตลอดปรากฏว่าคือสรุปว่าเขาสู้สู้เพราะภาวนาอย่างเดียวใจเขาสู้อย่างเดียวครั้งสุดท้ายที่29บเกงคืนยงไปเยี่ยมเขาเนี่ยยงก็ไปบอกไปจับตัวเขาแล้วยงก็บอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมลมอ่าคือเคยคุยกับเขาแล้วก่อนที่ไปเยี่ยมครั้งแรกก่อนกระถิน่นแล้วแล้วเขารู้จักพราะจาันทร์แล้วยงก็พูดถึงแต่เรื่องลมยงไปคุยธรรมะเขาคุยกันแบบถูกแบบคือเขาก็ดีใจเขามีปิติเขาก็ยังฝากเงินมาทํากระถินอะไรอย่างนี้ แล้วเขาก็พอวันสุดท้ายยีบเก้าเนี่ยคือเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาเาเจ็บปวดเวทนามากอะครับพระอาจารย์เห็นเขาเราสลดสังเวชมากว่าเนี่ยไอ้ที่ว่าภาวนาเก่งๆเนี่ยมันต้องมาดูตรงนี้เลยไอ้ที่เราคิดว่าเราจะรอดอะไรอย่างเงี้ยครพระอาจารย์คือเขาเขาสู้ด้วยใจเขาอย่างเดียวเลยเขาภาวนาเขาดูลมอย่างเดียวเลยแล้วก็พอตอนที่เขาไปหาเขาเนี่ยคือเขาพูดไม่ได้แต่ตาเขาก็ยังลืมยังดูหน้าดูตารู้เรื่องพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็เฉยเลยพอเฉยปุ๊บ โยมก็ไปจับตัวเขาแล้วโยมก็บอกเขาบอกคือเรียกเขาแล้วบอกว่าอย่าลืมลมนะอย่าลืมลมนะเขาก็ลืมตามามองโยมอะค่ะพระอาจารย์แล้วเขาขยักหน้าสองทีแล้วก็ยกมือขึ้นคือเข้าใจเข้าใจรู้อะไรอย่างเงี้ยคือฉีดมอร์ฟินเนี่ยตลอดเลยค่ะพระอาจารย์เจ็บปวดคือแบบมะเร็งเนี่กระจายถึงขั้นถึงสมองแล้ววันที่ยี่สิบเก้าจนวันที่โยมโยมกลับมาวันที่สาสิบพี่สาทวทุกคบอกวันที่หนึ่งตอนเช้าเขาก็เสียแล้ว แล้วเขาเสียอย่างชนิดที่ว่าคือเขารู้สติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเลยคือทั้งแม่ทั้งลูกหลานอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยเขาคือได้ดูใจหมดแล้วก็เขาก็ค่อยๆไปแล้ววันที่วันที่สี่ไปเผาศพเขาโยมตอนเปิดศพโยมก็ไปดูศพเขาต้องถ่าย Facebook, รูปลงเฟ e บ o o k อยู่เขาก็คือตัวเขาเนี ย, เนยนๆมากค่ะพระอาจารย์เขาสั่งเลยไม่ให้ฉีดยาไม่ฉีดยาเลยเตัวเขาไม่เน่าไม่ไเลยนะคะ แล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะเนียนจะแบบคือผิวเขาเนี่ยผ่องใสามากหน้าตาก็เหมือนคนนอนหลับปกติธรรมดาแค่เขาผอมลงเหมือนพัดคูน่าเลยนะโยมโยมเห็นเขาตอนที่เปิดลงแล้วโอ้โหโยมแบบใจโยมนี่แบบคือเต้นตุบตระทึกมากเลยว่าโอ้โหเราไม่เคยเห็นคนตายผิวพันธุ์ผ่องใสงะนะครับพระอาจารย์ตอนรุ่นที่ที่ญาติคนแรกที่เสียไปที่เป็นน้องชายแม่เนอากูเนี่ยก็คือดูศพเขาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความแบบเศร้าสลดค่ะเพราะว่า เขานอนตายด้วยแบบว่าคือหน้าเขายิ้มตลอดเวลาอันนั้นก็ไปแบบไปแบบดีมากเพราะว่าสั่งให้หลานพูดสั่งให้พูดคุยธรรมะตลอดจนเขาไปแบบว่าคือหน้าเขานี่ปิติตลอดเลยพอพอมาดูศพพี่สะพายนี้คือเกิดความสลดสังเวชมันเห็นเลยคะ่ะพระอาจารย์มันเห็นตัวนิจจังเลยเห็นเลยว่ามันมันสังขารมันไม่เที่ยงแล้วมันเห็นเลยมันตอนนั้นมันเห็นเกิดเห็นดับเลยพระอาจารย์เห็นเลยว่านี่ไม่ใช่เราอะไรแบบนี้คะ่ะ ตอนนั้นคือสลดสังเวชมากเลยแบบว่าเห็นว่าโอ้โหแล้วเกิดปิติขึ้นมาเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกเห็นสังขารเขาว่าสังขารเขานี่คือเขาผ่องใสแทนที่เราจะแบบจะร้องไห้มันก็ไม่ร้องว่าจากตอนแรกจะร้องมันไม่ร้องน้ำตามันไม่ทันจะไหลมันก็เกิดปิติขึ้นมาอีกเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเพราะรู้สึกแบบคือตอนนั้นพอถอยออกมาแล้วก็นึกถึงนึกถึงคำคำพระอาจารย์เลยค่ะแบบว่าอย่าลืมลมนี่โอ้โหตัวนี้นมัน คืออยากให้ทุกคนเข้าใจเลยค่ะคนที่มาศึกษาธรรมะตรงจุดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยว่าทุกคนต้องรีบเร่งภาวนานะคะพระอาจารย์เห็นเห็น hmm. เลยว่าคําที่พระอาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่าอย่าลืมลมเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมันได้ผลจริงๆเลยพระอาจารย์ตัวนี้นี่คือสุดท้ายแล้วคือเขาสู้ ด, ด้วยลมหลมหายใจจนสุดท้ายเลย mm hmm. ไม่มียาไม่มีอะไรคือรักษาไม่ได้อะ่ะคือคีโมก็ให้ไม่ได้อะไรไม่ได้ซึ่งเป็นวิบากที่เขาแบบว่า ต้องยอมรับเลยว่าเขาเขาสู้เจ็บปวดทุกทรมา น, นะมะเร็งที่ตับอ่อ น, นแล้วมันกระจายหมดทั่วตัวไ ม, ไม่ไม่เคยเห็นคนอยู่ได้แบบสู้กับเวทนามาสามสี่เดือนจนกระทั่งตายอขอเล่าเป็นเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนมีกำลังใจค่ะว่าเราต้องอเราต้องอย่าลืมลมอย่างเดียวเลยพระเจ้าสาธุ ดีนะพรอาจารย์ครับถ้าไม่มีอะไรก็ผมก็มีเคสคล้ายๆกับน้องะะอ่ะช่วงช่วงช่วงก่อนก่อนกระถิ่นนะฮะก็มีพี่ชายเพื่อนพี่ชายเพื่อนน ะ, ะก็สนิท ก, กันก็เป็นมะเร็งที่ตับเนี้ยฮะแล้วก็เขาเข้าห้องไอซียูกำลังจะสิ้นล้ะอ่าแล้วก็ ตอนนั้นในห้องซีอู๋ก็นิมนต์พระมาแล้วนะแต่เนี้ยเขาก็มีบุญ่ะที่วันรอดขึ้นมาแล้วก็ได้อยู่ต่อยี่สิบกวัน <c oughs> ทีเนี้ยผมก็เอาหนังสือแล้วก็ซีดีก็ไ ป, ไปไปให้เขาฟังนะฮะของพระอาจารย์นี่ไปให้ฟังแต่มันก็เสียวตรงที่ว่าเขาเพิ่งออกจากห้องไอซีอูะเราเราเอาเรื่องนี้ไปให้เขาเข า, เขาฟังเนี่ยญาติเขาบางทีก็ไม่ยอมรับ ก็แต่สุดท้ายเขาก็ฟังนะแล้วก็ <C ül> หลังจากนั้นเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าวันตั้งแต่ฟังจนถึงสิ้นลมเขาก็ฟังพระอาจารย์ตลอดจนสิ้นลมไ ป, ไปเลยนะผมก็ไปงานงานศพเขาอืมก็เจอปัญญาเขานะแล้วก็มาออพัญญาเขาเนี่ยก็เข้ามาหาเราแล้วก็ก็เล่าเรื่องสามีเขาฟังว่าสามีเขาเนี่ย อันนี้ไปอยู่บนสวรรค์เป็นอาจะสําเร็จพระสุดามันในใ น, ในการต่อไปผมก็บอกคุณรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาฟังเนี่ยแล้วก็เชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็สามีเขาก่อนตายเนี่ยเขาก็เขาก็ฟังดีๆเขาบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยสอนดีมากเอาคำพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวเขาแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเขาหายเขาจะมากราบพระอาจารย์อ่เขาก็ขอบคุณผมมาก น, นะ เราก็เชื่อมันอย่างนจริงๆทั้งที่ครอบครัวเนี่ยเขาไม่เคยฟังพระอาจารย์เลยไม่รู้จักพุทธวจนะอืก็เล่าสู่กันฟังนะก็เราก็รู้สึกผิติตอนนั้นนะโอ้แล้วก็น้ําตาจะไหลที่ว่าเออเราก็ได้ช่วยเขาอืนะก็บอกไปสง่งเล่าสู่กันฟังนะสง่งกล้องเพราะตอนน้กำลังรดที่พยายามที่จะแจกจ่ายจีดีแล้วก็ชวนเพื่อนๆให้มาฟังพุทธวจนะครับรู้ อบางคนก็ต่อต้านก็มีเยอะต่อต้านอย่างแรงก็มีฮารู้ไหมต่อต้านศาสดราตัวเองครับก็ก็จะงงเหมือนกันถ้าก็ต่อต้านเราก็จะวางไว้ว่าเออ uh huh. ก็แล้วแต่เขา uh huh. แล้วก็มีหน้าที่บอกกล่าวก็นั้นเองแล้วก็ลูกเมียเขาก็จะมากราบพระอาจารย์ในหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ uh huh. ก็จะมีหลายคนนะที่ที่ตายแล้วผ่องใสยอย่างนี้อย่างโยมอะไรที่อังกฤษเนะี่ยแม่เขาที่เสียชีวิตก็เป็นอย่างนี้อ่าหลายคนละอาจารย์คะขอแชร์นิดนึงนะคะเรื่องความผ่องใสอะคะ่ะก็เคยมีโยมเคยได้ยินนะคะเขาบอกว่าเอาเลือดของคนที่ก่อนนั่งสมาธิอะไปตรวจแล้วหลังจากนั่งสมาธิจนได้ฌานเนี่ยมาตรวจอีกทีนึงว่ามันต่างกันตรงไหน พอพบสารสามตัวที่เกิดขึ้นมาในเลือดของคนที่นั่งสมาธิจนได้ฌานนะค ะ, ะมีสามสามชนิดคือสารโดปามีนไซโรโตอนินและเมลาตนินซึ่งอย่างเมลาตนินนี่ทําให้ผิวพรรณผ่องใสไซโรโตอนินก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลโดปามีนก็ทําให้ความจําดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอนโดฟินก็จะเป็นสารในความสุขปรากฏขึ้นในเลือดของผู้ที่นั่งสมาธิจนได้ฌานะคะ่ะทั้งก่อนหน้านี้มันไม่มีตอนหลังก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งสารพวกนี้เนี่ยแต่เวลาต้นนินเขาขายกันในอเมริกาเนี่ยพันบาทในหนึ่งแคปซูลนียคะแต่เราผลิตเองได้ยงก็เลยสงสัยแบบว่าก็เลยเชื่อเลยค่ะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติจนได้ชาเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่องใสแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนะคะยงจะสังเกตเยอะเลยอะค่ะเราไม่สามารถคาดเดาอายุเขาได้เลยคนที่ปฏิบัติทําอยู่ปฏิบัติชาอยู่รักษาชาไว้อะค่ะเขาจะดูผิวพรรณผ่องใสแล้วเขาจะมีความจําดี เขาจะมีสุขภาพดีด้วยมันจะมาจากการปฏิบัติธรรมของเขาค่ะโยมคิดว่ามันน่าจะเป็นปีติที่หลั่งออกมาจากร่างกายเราอะค่ะคือสารแห่งความสุขแล้วก็ปีติต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่พุทธเจ้าบอกว่าจะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่จะไม่สัมพันธ์ของปีตินั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ความสุขเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยเหมือนเราปรับอินทรีอะค่ะอาจารย์ก็ยงก็มั่นใจนะคะว่าถ้าวันนี้ตรวจเลือด ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัตินะคะไ ป, ไปจาะเลือดกันมนี่จะว่าพระอาจารย์ที่าัที่พระอาจารย์มีชื่อเส<ขา>ียงว่าสังเกตดูถ า, ถามเพื่อนอะไรเงี้ย <ừ> เขาก็จะรู้จักพระอาจารย์อะไรเงี้ย ในเมืองไทยเนี่ยแบบไม่ค่อยจะรู้จักแล้วก็จะแอนตี้แบบตลอดเลยยังโยมเนี่ยโยมรอหนังสือพบูมาสี่ปีกว่าเนี่ยโยมว่าโอโยมโชคดีที่ยังไม่ตายก่อนเพราะโยมจะได้อานหนังสือพบูมเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังได้โยมวโยมโชคดีแลยสี่ปีกว่าโยมไม่ตายก่อนอันนี้ยอเพราะว่าถ้าไม่ไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยคนพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยกลัวกันอย่างพี่ชายเนี่ยพอพอพอแบบแฟนพอพอภรรยาเขาเสียเนี่ยเขาเริ่ม เข้าใจศัจธรรมเลยเขาบอกเขาไปพูดกับแบบเพื่อนเขาฟังแล้วก็เขามาเล่าให้ฟังกันอีกทีว่าัสมบัติที่มีเขาจะแบ่งแบ่งน้องๆใหหมดเขาก็เขาไม่ยึดติดแล้วเขาเขาเห็นแบบเมียเขาตายแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตนี้เอาอะไรไปไม่ได้อะไรปกติเขาจะงกสมบัติมากอะพี่ชายยงคนโตตอนนี้เขาก็เริ่มแบบเริ่มไม่นี่แล้วเริ่มเข้าใจขึ้นอะไรขึ้นยงว่าแบบดีใจว่าเขาเขาไปดีนะครับพระอาจารย์ยังนึกถึงตัวเราเลยว่า โหเราจะทําได้อย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดเราเป็นมะเร็งขึ้นมาเงี้ยพระอาจารย์เราจะสู้อย่างเขาไหวหรือเปล่าสู้ได้ใจอย่างเดียวจนสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ใจโยมคิดทะโยมเป็นอย่างเขาน่ยโยมก็บอกหมอให้ฉีดยาตายไปเลยดีกว่าเลยทุกทรมานมากพระอาจารย์ครับ ที่ลูกกตัญยูต่อต่อพ่อแม่นะบุตรกตัญยูต่อพ่อแม่ก็ที่ว่ายังศรัทธาศรัทธาแล้วก็จากค้สิงปัญญาให้เกิดขึ้นกับพ่อแม่นะครับที่ว่าเป็นลูกกตัญญูแล้วพ่อแม่ที่สอนลูกให้ให้มีตรงเนี้ยในพุทวจนะมีกล่าวไห้ว่าเป็นพ่อแม่ชั้นเลิศยุ้ยในที่เหนือกว่าพ่อแม่ธรรมดาไหมครับก็ที่พระเจ้าบอกว่าไม่มี ไม่มีผู้อุ ป, อปการละใดๆที่ว่าเลิศกว่าตรงนี้ไงไม่มีการอุปการละใดๆที่เลิศกว่าการอุปการละด้วยการให้อริยสัจสี่ดังนั้นใครก็ตามที่ที่ทำให้อีกคนคนหนึง่งเนี่ยรู้อริยสัจสีขึ้นมาได้เนี่ยคนคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอุ ป, อปการละมากที่สุดแล้วไม่มีอุปการละใดอื่นยิ่งกว่า มีคำถามจากออสเตรเลียบอกว่ามีคำถามเกี่ยวกับคำว่าโหสิกรรมหากเคยมีผู้ถามและอาจารย์ได้ตอบคำถามไปแล้วก็ขอโทษที่ถามซ้ําเนื่องจากละครที่ใช้คำว่าโหสิกรรมในการขอภัยเป็นสิ่งที่ทําผิดแลาแรงต่อกันซึ่งจากละครต้องการสื่อในเรื่องของการปฏิบัติระหว่างบุคคลซึ่งก่อให้เกิดกรรมต่อกันและเมื่อบุคคลนั้นสํานึกผิดในสิ่งที่ทํา ในละครจะให้ตัวละครแสดงออกมาซึ่งความสำนึกผิดและกล่าวคาว่าโหสิกรรมต่อบุคคลต่างๆที่ตนเองได้กระทําผิดไว้ด้วยนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าละครอาจจะส่งเสริมให้ผู้ดูเข้าใจในสิ่งที่แต่ละบุคคลกระทําและเน้นคําว่ากรรมจากการกระทําและคําว่าโหสิกรรมเมื่อบุคคลนั้นต้องการหลุดพ้นจากการกระทําที่เคยทําไว้ในอดีต จา ก, การตรวจค้นในอีกุติกะเมื่อนําคําว่าโอหสิกรรมโห uh, สิไปตรวจสอบจะไม่พบคําดังกล่าวแต่เมื่อค้นคําว่าโอหจะพบคําว่าโ uh อหุคังฆะอันไหนบรรพศแต่ไม่เกี่ยวกับกรรมเลยเมื่อก่อนโดยส่วนตัวใครเชื่อเรื่องคําว่าโอหสิกรรมหลายๆคนอาจเคยทํากันบ่อยๆเรื่องไปงานศพกล่าวคําขอโอ uh, สิกรรมกับผู้เสียชีวิต แต่น้อยคนนักที่จะกล่าวคำอโหสิกรรมกับผู้มีชีวิตอยู่และเมื่อไม่นานมานี้ได้ฟังคําบรรยายและคําตอบเกี่ยวกับเรื่องกรรมการแก้กรรมเมื่อได้สดับแล้วจึงเกิดความคิดเองว่าคําว่าอโหสิกรรมไม่ได้เป็นการลดกรรมใดๆเลยเพราะเหตุการณ์ ท, ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีการเกิดดับไปจนหมดแล้วและตัวเองไม่ควรหลงติดไปกับนันทิที่เกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่ควรทําคือ ปฏิบัติรูล้ลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันและไม่หลและไม่หลงไปตามนันทิไปกับการกระทำในอดีตและมีการสร้างภพและปรุงแต่งให้ไปเกาะ น, นันทิใหม่ที่เกิดขึ้นมาท้ายนี้ขอให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำว่าอหุสิกรรมว่าควรหรือไม่อย่างไรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสิทธิตาคตก็คานี้ก็ไม่ คือในบทพันณณะเนี่ยมีในพุทธวจนะแต่แปลว่าได้มีได้เป็นนะไม่ได้แปลว่าการให้อภัยหรือการเลิกแล้วต่อการอะไรอย่างนี้ให้อภัยพู้เจ้าก็จะใช้ตรงๆก็คือให้อภัยอภัยทานมีทานการให้คือให้อภัยอเวลทานอพยาปชาทานการไม่การไม่ผูกเวรการไม่ผูกพยาบาทมีทานการให้อย่างนี้ อโหสิในบาลีแปลว่าได้มีได้เป็นนะซึ่งจะมีคํานี้เยอะเหมือนกันเป็นพราม์โดยชาติอโหสิคือเป็นกรรษัตริย์โดยชาติอย่างเนี้นะ <c oughs> แต่ไม่มีที่พระเจ้าบอกว่าเป็นการให้ภัยหรือเลิกแล้วต่อกันไม่มีดังนั้นคำว่าอาโหสิเนี่ยเราเลิกใช้ไปเกี่ยวกับการให้ภัยเลยนะไม่ไ ม, ไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ ไม่ใช่เป็นคำที่เมื่อพูดแล้วเนี่ยจะทำให้กรรมมันหมดไปมันต้องมีการประพฤติมั่งมี8งแแต่การตั้งจิตไม่พยาบาทนะไม่ผูกเวรไม่จองเวรต่อกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องฝึกตั้งจิตละความพยาบาทเบียดเบียนมีการอภัยกันจากนววินนวมินเนื่องจากวันที่เก้ายังมีเหตุปัจจัย ยังไม่เหมาะสมจึงทำให้ไม่ได้ไปสังสมสุปตะยังไม่ได้มีโอกาสถวายพระสูตรพระอาจารย์จึงขอโอกาสกราบเรียนทางเมล 2. จากที่ได้ฟังข้ามเสาในคำถามการพิจาาสุภานั้นได้ไข้ควรได้เข้าใจดังนี้การพิจาาสุภากว่าจะจบลงที่ตรงไหนนั้นไม่สามารถที่จะหาที่จบได้จึงต้องกลับมาตรง คำตอบที่ว่าอะไรที่ตถาคตพูดบ่อยสอนบ่อยเรื่องั้นนันทิอานาปาณสติหากพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ต้องมาละนันทิต้องมากลับที่ลมหายใจคือรูปอันเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะอาสุภะเ <c oughs> จะหาที่ลงไม่ได้ก็ต้องวนอยู่และปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆ ในเรื่องธาตุสีดินน้ำไฟลมนั้นน้องน้าบุญได้ขอโอกาสกลับเรียนถามหากธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ทํางานบุคคลนั้นจะเสียชีวิตหรือไม่พระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วนะได้มีคําถามในใจว่าบุคคลนั้นจะบรรลุธรรมได้หรือไม่และได้เข้าใจว่าสามารถบรรลุธรรมได้ใช่บรรลุได้หากบุคคลนั้นมีสัญญาและใจคือยังจําได้อยู่นี่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ ใช่ถ้าถ้าเขายังไม่เสียชีวิตเนะ่ะเขามีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้นะก็จบคำถามทางอินเทอร์เน็ตนะกรับนมันสการท่าอาจารย์มผมขอกากับขอความคุณาท่าอาจารย์ช่วยบอกความเป็นศัตรูของผู้คนให้กับผมด้วย ซึ่งผมเองนั้นจะกล่าวก็เข้าใจว่ากลัวจะไม่ไม่สมบูรณ์คือภรรยาผมนั่งอยู่ที่เขอิพยายามกล่าวอยู่ตลอดเวลาว่าสองสมมันมนันี้อยากจะกราบพระอาจารย์ว่าจะขอบคุณพระอาจารย์ว่าที่ทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งในการฟังธรรมแต่ผมมั่นใจ อยากจะกล่าวว่าการที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าสัตว์ปรุษยิ่งกว่าสัตว์ปรุษพระอาจารย์นั้นเป็นสมณะสัตยะให้คำสอนของพระผู้มีพระเก้าเท่านั้นแต่การที่ผมเปลี่ยนนั้นมีได้เปลี่ยนจากการบอกสอนของพระอาจารย์การเปลี่ยนนั้นเริ่มมาจากการทักนำเข้ามาคือ สัตระหลุตยิ่งสัตว์ประหลบอย่างอาการเรียนเขาทราบว่าผมนั้นไม่ได้เปลี่ยนพระพเจ้ากเปลี่ยนเพราะพระระยะผมแต่เขาไม่เขาไม่เชื่อตัวเขาว่าเขาทําให้ผมเปลี่ยนเนื่องจากเมื่อเช้ามีญาติที่ทําถามมันกระทบใจกันเมื่อเช้าเนี่อที่ว่าแม่กับพ่อบอกว่าทําให้คนเปลี่ยนไปออเขาก็พูดย้ําอีกเมื่อเช้า ผมก็ติดอยู่ในใจจะพูดให้ฟังก็ไม่ม oh. ั่นใจว่า oh. <kes repetition> จะเชื่อไหมแต่ผมเรียนพระอาจารย์ของพระอาจารย์เมตตาบอกว่าที่ผมพูดนี้ถูกต้องอจะนั่งอยู่เที่ยวอี๋ใ่เสื้อสีขาวขอบพระอาจารย์เมตตาช่วยบอกที่ผมกล่าถูกถูกไหมคือมันต้องอาศัยกันไงมันล้วนเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัตธรรมสิบสองขั้นตอนว่า คือสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิพฤติธปฏิบัติมรรคมม่มงูแปแล้วก็ยังชักนําผู้อื่นให้ประพฤติธปฏิบัติมรรคมม่มงูแป ด, ด้วยน ะ, ะก็จัดเป็นกัลยาณมิตรนะถ้าไม่ได้กัลยาณมิตรนะเราก็คงไม่มีโอกาสได้มาได้ยินได้ฟังธรมดังนั้นพระศาสดา จ, จึงจัดว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะแล้วจากกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นความหมายโดยนัยะพื้นๆตื้นๆเนี่ยก็คือคนดีคนที่ชักนําเราเข้ามาหาธรรมะเนี่ยกัลยาณมิตรโดยความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยก็คือมัสมีองแปตัวมัศแ8เนี่ยคือกัลยาณมิตรมิตรที่แท้จริงมิตรที่ที่ดีของเรา <c oughs> ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรก็ไม่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมเหมือนกัน ก็คือไม่ได้สัตว์ปรลุษยิ่งกว่าสัตว์ปรลุตนะดังนั้นก็อาศัยตรงนี้ได้มาแล้วก็ได้มาเสพครบธรรมพระาศาสดานะซึ่งอัตมาก็เป็นสมณะสกะิรปุติยะเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตก็เอาคำตถาคตเนี่ยมาถ่ายทอดบอกสอนเปิดเผยต่อนะนี่มันก็เป็นผลพวงกันทั้งหมด เหมือนที่ผู้เจ้าสมัยเกิดเป็นพรามก็ชวนเพื่อนพรามด้วยกันไปไปฟังธรรมะก็ยังไม่ยอมไปสักทีผลที่สุดก็จิกหัวไปเลยให้ไ ป, ไปฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมในพระสัสดาก็ได้มีความศรัทธาก็ต้องอาศัยกันอา อาศัยกันเป็นลำดับอ่ะเนาะลำดับแรกก็คงจะเป็นเพราะสัตว์บุตรยิ่งกว่าสัตว์บุตรลำดับต่อมาก็เป็นเพราะอนุสาสนิปฏิหารของตถาคตที่ทำให้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเกิดความศรัทธาขึ้นมามแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตรรริรำสมบูรณ์แก่ธรรมก็เกิดศรัทธาที่ลึกซึ้งขึ้นเริ่มที่จะอย่างลงมั่นนะในพระพุทธเจ้า ประทำและพระสงค์อย่างนี้นะนี่ก็เป็นจะเรียกว่าปฏิกจสิสวบาแห่งการรู้ตามซึ่งสะท่ก็ได้นะอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะครับขอบคุณพระอาจารย์ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านในเทวดาสี่กลุ่มนะคะที่ว่าวจะมีภิกษุผู้มี ไปแสดงธรรมเตือนให้ะหระดุทำจะมีอยู่ทีน ม, มีความเป็นไปได้ไหมเจ้าคะว่ามีพระสูตรไหมที่ว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์แล้วแจ้งเตือนมาให้ฟังธรรมที่มนุษย์โลกเจ้าคะความสามารถเหมือนพระาศาสดามีไมเ้าคะผู้มีฤทธิม์มาแสดงธรรมในโลกมนุษย์ยใช่ไหมแจ้งเตือนเทวดากับพรหมอย่าคือ<ล>หรือว่าเฉพาะในกลุ่มเทวโลกอย่าง อ speaker, roommate, ๋อหมายถึงจะไปให้พวกเทวดามามาฟังธรรมใช่ไหมก็ก็จะมีที่พวกเทวดาเข้ามาฟังธรรมอยู่แล้วไงแต่แต um ่อย่างมนุษย์เนี่ยมันจะขึ้นไปเทวดามันไปไม่ได้ไงมันต้องรอตายก่อนรอตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ได้ไปมีโอกาสไปฟังธรรมพวกวิสุทิ์ที่มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในนั้นแต่อย่างพวกเทวดาเนี่ยก็ลงมาฟังธรรมได้เลยอยู่แล้ว นะแล้วกลุ่มที่ลงมาฟังนี่ ม, มีโอกาสเป็นกลุ่มเดียวกับที่สะสมสุตตะแล้วจะบรรดุธรรมหรือว่าเฉพาะที่เทวโลกอย่างเดียวในเวลานั้นเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นในกรณีที่อสองกรณีหนึ่งกรณีที่เทวดานั้นเนี่ยเขาเพลิดเปลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพซึ่งคงไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่ ก, กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นมาหาพุทธท่าสี ที่พระเจ้าเคยบอกว่าถ้าเทวดาเนี่ยได้กรรมคุณเป็นทิพย์เนี่ยเขายังอยากได้กรรมคุณแบบมนุษย์ไหมเกาไม่อยากได้ซึ่งเหมือนกับพระ น, นันธาที่ไปเห็นนางฟ้าแล้วก็เทียบแฟนของตัวเองก็บอกเหมือนนางลิงถูกไฟลวกอย่างเนี้ยไม่ได้มีราคาเลยอ<า>ต่นี้ก็กรณีที่สองนะใน <c oughs> กรณีที่สองก็คือเขาอ่า เขาก็ได้ได้ลงมาในความยืดยาวนานของของอายุของเทวดาเนี่ยซึ่งอาจจะลงมาในหมู่มนุษย์เนี่ยาศาสนาอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะอ่านี่ก็ไม่มีความแน่นอนตรงนี้นะอืมือนกลุ่มวัดินที่ลงมาช่วงที่ตอนที่ยังไม่มีพุทธศาสนาอ่าอล้ายๆที่บอกว่าสติ เกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมเกิดได้เร็วนี่หมายถึงว่าต้องมีคนมาแจ้งเตือนแบบชัดเจนเลยใช่ไหมคะแต่ ถ, ถจะให้เหมือนกับพิจารณาเองว่าจะลงมาฟังธรรมนี้ผมอ่าอ่าพินาเองเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่พินาาอ่แต่ถ้ามีคนมาสกิดมาบอกเตือนเนี่ยอ่าจะถึงถึงจะรู้สึกถึงจะเริ่มพิจารณาขอขอบคุณนะคะ ถ้าเราใช้มุมนี้มามากับในเรื่องของความเป็นมนุษย์นี่ก็น่าจะพอได้คือน่าจะมีการเตือนกันในหมู่เพื่อนสาธารณมิกด้วยกันเตือนกันเรื่องธรรมะเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะเผื่อเ็เามีอินทรีย์แก่กล้าบ้างเขาได้รับคาเตือนเขาก็เออจะประพฤติปฏิบัติบ้าง ขออกครับไ้อ่านว่า ม, ม, มันมัดมันมีที่พูดในมัดมีองแปดแล้วอีกอย่างที่ว่าสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเนี่ยอยู่ในมัดคือบอกครับมัน ม, มีเพิ่มมาอีกสองนะออมักแปดเนี่ยเพียงพอแต่เมื่อปฏิบัติมักแ8ดแล้วเนี่ยจะได้ญาณ ทัศนทธที่ถูกต้องแล้วก็วิมุติที่ถูกต้องขึ้นใหม่ก่อนหรือไม่อ่าแล้วจริงๆมันก็มีมิจฉาด้วยน ะ, ะมิจฉายานาะมิจฉาวิมุติสําหรับผู้ที่กระทําซึ่งมิจฉามักมักทั้งแปดเหมือนเป็นผลของปฏิบัติมักแ8ดแล้วเนี่ยจะได้เป็นผลใช่ใช่เป็นจะได้มาซึ่งยานทัศนธของขอ ง, ของการที่เดินมักแปใช่ใช่จะได้มาซึ่งยานทัศนะที่ถูกต้องแล้วก็วิมุติที่ถูกต้องอ่า ที่ปฏิบัติอ่าฮะอฮะใช่ได้ผลตรงนี้มาแล้วได้ผลจากมากัดแปดระดับแค่นัดแปดพอครับใช่ขอบคุณมากครับแต่ครับขออนุญาตครับเ อ, อสติที่ใช้อยู่สามจุดนะฮะตอนจิตหลุดมีสติดึงกลับมานะฮะสติตัวนี้นะฮะเหมือนกับสติที่เรารื้ชาได้บ่ตอนไปอยู่ ในสวรรตัวเดียวกันใช่ไหมฮะสติเลึกช้าแม่ัมีพิสูจ น, น์กาแสดงธรรมเนเป็นสติตัวเดียวกันไงอ๋อใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วสติตัวเดียวกันเนี่ย ส, สองตัวเหมือนกันนะฮะตัวที่สามันคือหนึ่งในอีห่ห้ายมาสิกติดตัวนี้ใช่ครับขอบคุณครับขอบการกระจา ความกรุณาอาจารย์อธิบายตัวปัสสิสัมโพชงนะถ้าในการนั่งเข้าชานหรือนั่งสมาธิเนี่ยตัวนี้เกิดก่อนสมาธิป่าครับหรือว่าอยู่คนละส่วนกันผมเข้าใจในความหมายที่ที่อ่านเจอก็คือความรังงับแห่งจิตถูกไหมครับท้านี้ปัสิที่นี้เกิดก่อนสมาธิมาหรือว่าแย่ปัทธิมาก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นสมาธิน้วในแง่ของการในรูปฌานเนี่ย เพ่งก่อนใช่ไหมครับถึงจะได้ความสงบเพ่งก่อนใช่แค่เรียนก็คือฌานแล้วก็ปัสสติอ่า uh huh. แล้วค่อยเป็นสมาธิในใแล้วรับใช่ใช่ขอบคุณครับ นี่เคยน้ำท่วมอยู่แม้แม้ก็ผ่านไปแล้วเนาะทุกอย่างก็จะผ่านไป ค, คำว่ายมเคยได้ยินพระรูปอื่นนะคะแะสอนว่าให้เห็นกิเลสผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนคนแตกหน้าที่ผ่านมาบ้านเราแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ฮิตคำนี้มากเลยว่าดูกิเลสผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนคนแตกหน้าเนี่ยยมสงสัยว่าอันนี้มันเป็นวิธีหรือเป็นผลแต่ว่ามันเป็นวิธีทาได้ด้วยไหมคะ คือการปฏิบัติเนี่ยเร า, าพยายามที่จะดูกิเลสผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนคนแต่งหน้าได้ไหมได้ไหมคะ่ะมันก็ต้องถามว่าดูแล้วละหรือเปล่าถ้าคนนั้นกําลังเจริญมัจอย่างเนี้ยนะยังรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนผลแล้วไงคะถ้าเกิดเขาเจริญจนจนได้แข็งแรงแล้วเขาถึงจะจะเห็นกิเลสผ่านมาแล้วผ่านไปคือมาแล้วก็เหมือนจบไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะดับอยู่ตรงหน้า มันจะผ่านไปได้ยังไงถ้าผ่านไปมันก็ยังอยู่ใช่ไหมคะเออแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆเราต้องใช้ความเพียรเราจะไม่สามารถดูวมันผ่านมาผ่านไปได้ส่วนใหญ่มันจะเกิดการปรุงแต่งแล้วก็สังขารก็เกิดแล้วถ้าเราไม่มีความเพียรที่จะหยุดมันคือดับไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะเราต้องอาศัยความเพียรในการดับกิเลสที่จรเข้ามาในจิตของเราเนี่ยจากการเห็นด้วยรูปได้ยินด้วยเสียงเหล่าเนี้ยถ้าเกิดเราจะดูเฉยๆผ่านมาผ่านไปมันก็ไม่ใช่ละ ขณะที่ดูมันก็จะผูกกับอารมณ์แล้วไงใช่ส่วนใหญ่ปกติของคนจะผูกกับอารมณ์ใช่ไหมคะมันจะผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะของอาราหันต์หรือเปล่าะที่เห็นกิเลสผ่านมาแล้วผ่านไปก <c oughs> ็ เ, <c oughs> เห็นราคาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ไม่ไม่เป็นตัวตัวเราของเราแล้วมันไม่ใช่มากพีแต่มันเป็นผลแล้วอ่าเป็นผลแล้วที่ เขาหลุดแล้วจากขันหน้าแล้วก็ก็ mm hmm. เห็นขันหน้าทำงานอยู่นนะย่งีแต่ถ้าพระเสขาก็ต้องต้องละช uh huh. ก็ยอมก็เคยมีเพื่อนมาถามบอกว่าเนี่ยทําไมเขานั่งสมาธิแล้วง่วงเขาก็ไปปฏิบัติกับพระอื่นนะคะพระอื่นบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะมาดับความง่วงให้ดูมันดูมันมเฉยๆแล้วยอมบอกว่าแล้วดูเฉยๆแล้วจะเอากําลังที่ไหนไปดับ คือเราไม่มีความเพียรที่จะดับความง่วงเลยจะไปดูเฉยๆได้ยังไงแบบว่าเพราะไม่เหมือนกับคนไม่มีความเพียรดูเฉยๆแล้วมันจะหายไปได้ยังไงง่วงอะค่ะใช่ไหมคะเราต้องใช้ความเพียรพยายามตอนแรกก็ข่มก่อนต่อไปก็ใช้สมาธิข่มต่อไปก็ใช้กําลังอะไรสักอย่างอินทรีย์ของเราเนี่ยข่มมันดับมันจนมันหมดไปใช่ไหมคะเราจะอยู่เฉยๆดูมันเฉยๆแล้วมันจะหายไปได้ยังไงก็ต้องตอบอย่างพุณเจ้าก็คือให้ละนันทิ หรือไม่ก็อย่างที่ว่าคงมจิตในสมัยที่ควรคมเพ่งอย่างยิ่งในสมัยที่ควรเพ่งน ะ, ะประคองในสมัยที่ควรประคองทำให้ล่าเริงในสมัยที่ควรทาให้ล่าเริงอย่างนีน้แล้วก็ถ้ากรณีที่จิตที่ผ่านอาการจิตที่ผ่านก็มาเป็นอกุศลเนี่ยก็ต้องใช้อย่างที่พู้เจ้าบอกว่าเธอต้องใช้ฉันทะคือความพอใจวาามะคือความเพียรอุสาหคือความพยายาม อุสลหฮคือความเพียนอย่างแรงกล้าปฏิวานีความเพียนอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปัญญะเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนอย่างเงี้ยอ่าเปรียบเหมือนไฟที่กําลังไหม้ลุกโป่งเสื้อผ้าหรือศีศรษะอย่างเงี้ยของบุคคลเนี่ยบุคคลนั้นก็ต้องรีบใช้สันทาวายามาอุสาอุสลหฮปฏิวานีสติสัมปัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นครับอ่าก็ต้องแยกแยะ ด้วยว่าอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลในสิ่งที่จรมาถ้าเป็นอกุศลคือต้องรีบส่วนแม้จะเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปดูว่าผู้เจ้าบอกเป็นภพไหมแค่คิดนึกเรื่องอะไรก็เป็นภพแล้วและบอกว่าภพแม่ชั่วรัดนิมือเดียวก็น่ารังเกียจนะก็ต้องแว็บเดียวให้ดับแต่นี้แว็บเดียวดับเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรขณะที่มันดับเนี่ยมันเกิดมันคือจะเจอช่องว่างในที่คับแคบนอ่า ขณะที่วิญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดดังนั้นไม่ใช่คนนั้นผ่านมาแล้วผ่านไปถ้าผ่านไปคือมันยังอยู่แบบโยมว่าแต่จิตดวงหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันดับหายไปมันไม่ได้ผ่านเราไปเฉยๆนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปและจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นขณะที่ดวงเก่าดับดวงใหม่เกิดนี่แหละมันมีช่องว่างน ะ, ะที่ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีนามรู้น ะ, ะความสาคัญ ค, คืออยู่ที่ตรงนี้ ผู้เจ้าจึงให้ระวังตรงนี้ให้ดูตรงนี้ดีๆ ด, ดังนั้นแม้ขณะจิตเดียวที่จิตมันดับแล้วก็เกิดใหม่ถ้าเร า, เาปัญญาสติสมาธิอะไรพร้อมปล่อยวางก็คือหลุดพ้นได้เลยตรงนี้อย่างเงี้ยขอบพระคุณค่ะชัวสบายใจแล้วค่ะว่าที่เราเข้าใจนี้ถูกเพราะว่ายังโยมก็ไม่เห็นด้วยเราิเลยผ่านมาแล้วผ่านไปก็คือบทปัญชนะมันจะมีรูรั่ว ถ้ามาพิณาละเอียดก็จะมีรูร่วมีช่องโหว่นะว่าเออถ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสแสดงมันไม่ดับเลยมันยังไปน ะ, ะแต่จริงๆแล้วจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนอาจารย์คะเขากันค่ะคือขอแชร์แบบเก็บความรู้นิดหน่อ ย, บบยอ่ะพอดีอ่า เข้าไปในเฟซนี่แหละก็จะมีเพื่อนแอดเข้ามาเพื่อนท uh ํ huh. าแอดก็จะมีอ่าท่านหนึ่งเขาบอกว่าอ่ชื่อคุณบัวทำ uh huh. ที่เขาก็เหมือนกับว่าเกินเกินในลักษณะที่ว่าเขาเขานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเขาเขาได้ไปเจอบอกว่าเขาไปเจอพระสีอรยะเมตไตรเจออะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มาบอก uh huh. ว่าเขาเนี่ยเป็นลูกและลูกลูกพระพุทธศาสนาแล้วเรียกกันว่าลูกบ้านอะไรละแล้วทีนี้ก็มีจิต มันเหมันกับว่ามีชาญที่แบบอย่างรู้อนาคตออืแล้วก็โพสต์ไว้ว่าเนี่ยวันนี้วันนั้นจะเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ยี่บเอ็ดธันวาระวังนะให้เตรียมเข้าเตรียมของเตรียมอะไรบอกว่าซื้อธงซื้อเทีย น, ยนะะอะไรเนี้ยค่ะแบบว่ามิติอะไรจะเปลี่ยนไปละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมแลคือเขาแบบว่าเขาเขามาถึงเขาไม่ปวดตายแล้วเขาจนเข้ามาถึงขั้นจะตายเมื่ อ, อไรก็ได้เขาน i r v a n a แล้วอะไรอย่างนี้ Mm hmm. แล้วในในส่วนเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าคนคนที่อยู่ในกลุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นธรรมเนี้ยค่ะก็จะจะชื่นชมเขาแล้วเขาก็มาโพสต์ไปว่าอ่าเป็นคําสอนของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่เขาไม่ศึกษาอะไรละเขาก็พอเขาเหมือนกับว่าเขามีมีวิ ม, มุตติมีมีปิติแล้วความรู้นั้นเขาก็จะหลั่งไหลามาหาเขาเองแล้วเขาก็จะมาสอนก mm ัน hmm. ในนั้น อนี่คือนในอย่างเนี้ยอ่าบุคคลที่ที่ที่ที่ฟังเขาหรือว่าเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรคะเขาอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้มาฟังพุทธวจนะหรือว่าในกลุ่มเนี้ยที่บอกว่าเขาพร้อมตายปณิพันเนี้ยอันนี้คือถ้าหากว่าเขาเขาเกิดอะไรขึ้นมามันก็มีโอกาสที่ที่ได้ไหมคะอย่างที่ว่าอาจารย์บอกว่า ไม่ว่าใครก็ตามแต่อฮที่บอกว่าพลิกไปไหนพลิกเป็นนรกไปพลิกไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะออมีมีโอกาสไหมคะถ้ากรณีเนี้ยค่ะโอกาสยังไงล่ะไปยังไงหมายถึงจะหมายถึงว่าถ้าหากว่าเขาเขาเสียเกิดเสียชีวิตใช่แล้วจิตของเขาคิดว่าเขาเขาคิดว่าเขาหลุดพ้นแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความด้วยที่โยมแบบดูเขาเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาก็ยังมีมา ให้ให้มีเสียงอะไรนะให้เชียมซีอยู่ในดูดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการแบบเ อ, อทีฮาแล้วก็มีการบอกว่าทํานายอนาคตแล้วก็มาบอกว่าวันนี้วันนั้นให้ระวังอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับว่ากลุ่มเนียมันไปยุ่งกับที่ที่พระจ้าว่าเป็นห้ามหามยุ่งกับทางโลกถ้าสมมติรู้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็จะมีผลกับเขาไหมคะถ้าหาว่าเขาแบบ เขาเขาเขารู้แล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้ไงคะอัหนหนี้หนูก็หนูก็คิดไปเองก็เป็นสําคัญผิดไปไงสําคัญผิดเมื่อยังสําคัญผิดก็หลุดพ้นไม่ได้เมื่อหลุดพ้นไม่ได้ก็ยังป่นไว้ยตายเกิดนี่ก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันสําคัญผิดเหมือนกันช่วยกัมันมันแน่นอนว่าเขาเขาไม่รู้ <laughs> เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับคําสอนพระศาสดา <laughs> แต่ก็จะแน่นอนของเขาก็าก็เป็นของเขาไป บอกว่านั่งสมาธิแล้วอ uh huh. มีการรักษาโรค ก, กันยอะไรเงี้ยค่ะตัวไว้ดอกไม้กันอะไรเงี้ยค่ะก็ uh huh. ก็เลยว่ารู้สึกว่าเอยอย่างนี้มันก็เหมือนกับปรุงแต่งอะ่ะคนมันก็จะปรุงแต่งไปเป็นอย่างนั้นะนะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือปล่อยวางเฉยๆ uh huh. รู้ลมอย่างเดียวจบออื uh huh. <laughs> ถ้าไปยุ่งอะไรมากก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเราก็ไปแบบไหวเข้าเงี้ยค่ะอาจารย์ป้าจัน uh huh. ก็อยู่ที่เราคิดจะสมคอเขาหรือเปล่าถ้ายังคิดจะสมคอเขาอยู่แล้วก็ให้คำตัาคตเข้าไปให้เขาฟังมาเรื่อ ง, องนันก็ขึ้นอยู่กับเขาแลอะ ที่ภาษาลิบุตรตอนปรินิพานะแล้วก็ยังมีดที่พระอาจารย์เคยเล่าพระสูตรที่ภาษาริบุตรตอนปรินิพานนะคะที่ว่ า, ายังรู้สึกว่ามีเวทนาอยู่นิดนึงเราพระศาสดามาเตือนว่ากายกับจิตแยกออกจากกันแล้วใช่ไหมคะคือวิญญาตกับนามรูปแยกออกจากกันแล้วเนี่ยเรา ทีนี้ถ้ า, ายังมีความรู้สึกเวทนาอยู่เนี่ยเท่าบอกว่าภาษาริบุตรอยู่ในกลุ่มของสักพุทธิเศษสัติภานธาของพระอราหารอันต์จเจ้าค่ะพระอาจารย์ปริพาหรือว่าบรรลุธรรมหรือว่าอะไรช่วงประนิพา น, น, พานผู้เจ้าไม่ได้อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอเพราะว่าจุนท่านสมณเณรเอามาบอกพระนนทแล้วพระนนทเอามาบอกผู้เจ้าว่าภาษาลิบุตรอนู่ประนิพานแล้วนะคือใช่ใช่ อาจจะคนละคนกันเนาะใช่อาจจคนละคนจำผิดก็ได้ขออภัยก็ได้ก็มันเรื่องประวัตินะมันก็จำผิดพลาดคาดเคลื่อนกันได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสุบัทเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวเราที่มันจะย้อนกลับเข้ามามองอาการในจิตเราได้อาจารย์ค้าขออภั จอเมื่อคืนฟังที่พระอาจารย์จะมีตอนเรื่องที่ว่าผู้พากษานะคะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าคือเรื่องของวิบากที่ว่าต้องรับอย่างผู้พากษาถ้ามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะเอาตัวรอดได้มีอยู่ตอนหนึง่งที่พระอาจารย์พูดไว้นะยมสงสัยว่าคือถ้าเกิดผู้พากษาเนี่ยกระทากรรมคือวิบากต้องได้รับแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเอาตัวรอดได้หมายความว่ายังไงเจ้าคะ ก็รู้ว่าเลยสัตว์นี่แหละเขารู้เลียสัตว์เขาก็เอาตัวรอดได้เนี่ยคนก็ทํากรรมกันมาดังนั้นนแหละ<ม>ใช่แต่ถ้ารู้มัสมีองแปดอรียสัตว์สี่เนี่ยใช่ไหมมันก็พ้นจากกรรมได้อนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เป็นเอาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับต้องมีการกระทํากรรมตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยใช่ขอแค่ว่าคือเหมือนกับว่าเราทําไปตามหน้าที่แต่ว่าเราสามารถที่จะรู้อายะศาคือมีสัมมาทิฏฐิ อ mm hmm. ถ้าบุคคลใดก็แล้วแต่มีส ม, มาธิฏฐิเนี่ยสามารถรอดพ้นจากสบายได้อย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์มันอยู่ในมรรคแปดเนี่ยอยู่ในมรรคแปดใช่ค่ะแต่ก็สงสัยว่าคือแบบคนที่จะมีส ม, มาธิฏฐิได้เนี่ยมันอย่างนี้มันจะมันจะโยงไปถึงตรงที่ว่าคุณธรรมโสดาบันไหมคะพระอาจารย์ว่าะละสักยญาทิฏฐิได้หรือว่าคื อ, ค, อคือแค่ละความเห็นผิดได้ อย่างนี้ใช่ไหมคะทิฏฐิแค่ไหนอ่ะสมาธิทิฏฐิก็มีสองระดับเบื้องต้นเบื้องปลายมีน้ำหนักเข้มมา ก, กน้อยต่างกันอีกอใช่พระเจ้าก็ตัดไว้เป็นกลางกลางเพราะคุณค่ะเปลี่ยนเรื่องแล้วพระอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะคนส่วนใหญ่ข้างนอกนะคะชอบมีความคิด อ, อย่างนี้ว่าอยากได้อะไรมาเนี่ยต้องแย่ง ต้องเอามาเป็นของตนอ uh huh. อย่างเช่นผู้หญิงแย่งสามีเขาบ้าง uh huh. แย่งอำนาจแย่งรัฐประหารอะไรพวกนี้ค่ะ uh huh. คือการได้มาคืออยากได้อะไรสําเร็จสมบัติทนาต้องแย่ง uh huh. ออซึ่งความคิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคะแล้วมันเป็นการเบียดเบียนใช่ไหมคะอาจารย์อ uh huh. คือจริงๆแล้วเนี่ยการแย่งผู้อื่นมาใช่ไหมคะอย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยไปแย่งของเขาเนี่ยก็บาปละ อกามเมยใช่ไหมคะมการแย่งอํานาจต่างๆเนี่ยก็บาปใช่ไหมคะโยมยังมีเห็นมีความเห็นว่าทําไมผู้ปฏิบัติธรรมจานวนมากเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ก็ยังมีความเห็นชอบสําหรับการแย่งอํานาจสําหรับอสิ่งเหล่านี้เห็นชอบวิธีการแบบนี้อยู่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะเมื่ออาจจะมองคนละมุมก็ได้เขาก็อาจจะมองว่าคนนี้อยู่่มันไม่ดีต้องต้องเขาอยู่มันดีกว่าไง แต่ไม่ได้ไปแย่งนะแต่อยากอยากไปทําประโยชน์คือแบบว่าวิธีการแย่งยงนึกถึงพระเทวทัตอะค่ะ uh huh. ซึ่งอยากใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ใช้วิธีแย่งโดย uh huh. วิธีการเล่กลมอนุบายทั้งหลายที่ทํำลายผู้เจ้าสารพัดเนี่ย uh huh. uh huh. แย่งแบบนี้มันเป็นวิธีของพระเทวทนะัต <So> คื อ, อยังมองว่ามันมันมันไม่แฟร์แล้วก็มันไม่ใช่ได้มาด้วยความภาคภูมิใจมันไม่ใช่วิธีของวีรบุรุษนะคะก็ใช่ก็ดูการหลักความเชื่อไงเราเชื่อความคิดเนี่ย ว่าให้ทําอย่างนี้แล้วการฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยเกิดขึ้นไหมการประพฤติผิดในการมเกิดขึ้นไหมการโกหกเกิดขึ้นไหมอย่างในกาลมาสูตรอันนี้ก็อย่าไปทําตามความเชื่อนั้นแม้ความคิดเราจะปรุงขึ้นมาว่าเออดีนะแต่ฆ่ามันไม่หมดเลยเดี๋ยวเราจะได้ปกครองแล้วทุกอย่างจะดีมันก็ไม่ใช่อ่าเพราะการฆ่าเกิดขึ้นก็อย่าไปทําตามความเชื่อนั้นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือหลักของการไม่เบียดเบียนกันเราเชื่อว่าเออ เราได้ตำแหน่งนี้แล้วเราจะดีนะแต่ต้องเกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นไม่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นด้วยอย่างนงี้ก็ต้องพิจารณาหลักพวกนี้อขออนุญาตถามค่ะ คือสงสัยว่าถ้าอย่างเวลาหนูเรียนเราคือต้องใช้สัต์ทดลองอะค่ะเราคสุดท้ายมันเป็นกฎว่าเขาต้องให้ค้าหนูอะค่ะออยาา่างครับก็มันก็บาปอยู่นะแต่แต่ถ้าพูดในเชิงให้กําลังใจก็คือลองไปดูการทําปานาติบาตเนี่ยภิกษุทําปานาติบาตเนี่ย แกล้งพลาดสัตว์จากชีวิตเนี่ยผู้เจ้าปรับอบัติปาจิตติซึ่งเป็นอบัติที่ปรงได้ด้วยวาจาโอ้ทาไมเป่าจังเนาะอ่าอย่างไปฆ่าสัตว์มาเนี่ยปุ๊บก็บอกเพื่อนพิสูจน์กันเออเมื่อกี้ไปฆ่าสัตว์มาละก็พ้นความผิดละอย่างเนี้ยนั่นแสดงว่าผู้เจ้าให้น้ําหนักตรงเนี้ยค่อนข้างน้อยไงให้น้ําหนักของสัตว์เนี่ยนี่ก็คือเทือบมุมให้กําลังใจนะอ่าแต่พูด ผู้ในมุมหนึ่งก็คือวิบากอย่างเบาของผู้ทําปาณาติบาตเนี่ยจะทําให้เกิดอายุสั้นและถ้าเรากระทํามากกระทําบ่อยเป็นประจําเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนาร ก, กับในในๆๆเนริชานหรือเปลวพสัยนะนะกับขอกัราพระอาจารย์<ๆ>คือก็กรณีเดียวพี่สาวครับแต่ว่าความจริงคือเวลาศึกษาไงก็ศึกษาสิ่งมีชเล็กที่มองไม่เห็นในกล้องจุลทัศน์<ๆ>แต่ว่าทีนี้พอเวลาศึกษาเสร็จก็ต้องเทมันทิน้งหรือว่า ตายไปก็สงสัย huh. ว่านิยามในที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือสิ่งมีชีวิตนี้นับจะนับยังไงนับถึงตัวเซลล์หรือนับตัวสิ่งที่เป็นฝัตแล้วเท่าเท่าที่พระพุทธเจ้าตาัดไว้เนี่ยกับภิกษุเนี่ยเรื่องปานาติบาตก็คือแค่มดดำมดแดงที่มีคําพูดของพระ อ, องค์ไว้นะ uh huh. ที่เล็กกว่านั้นเนี่ยจะไม่เคยเจอคําพูดพระ อ, องค์นะอย่างพระทานยาเพื่อจะรักษาโรค ก, ก็ไม่เคยบอกว่าเนี่ยมันไปทํามันไปฆ่าเชื้อโรคในตัวแล้วก็ บาทนะอะไรก็ไม่เคยตัดเอาไวา้ก็เลยคิดว่าพระองค์ลงรายละเอียดเล็กแค่นี้ขออนุ ญ, ญาตครับอาจารย์จะถามว่าถ้าคนที่ทำสมาธินะฮะนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็ยังติดของเดิมอยู่ที่ว่าต้องมีคำบริกรรมอฮ เป็นพุโทโธเละก็ดีเหลืออะไรก็ตามแต่นะก็ถ้าเขายังยังยังละตรงนี้ไม่ได้ตามพุทเจ้าเพราะว่าคําบริกรรมในพุทเจ้าไม่เคยตัดให้ให้บริกรรมใช่ไหมแต่เขาก็ยังติดอยู่เพราะทำมา20ปีอยนะ่างเงี้ยอก็ทําไปแล้วก็พอทําสมาธิถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยแม้แต่มีคําบริกรรมอะ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ย ม, มันก็จะคําบริกรรมมันก็จะหายไปเองอืมใช่ไหมถ้าถ้าเขาถ้าเกิ ด, ดไม่หายอะ่ะ แล้วมันจะหายยังไงบางคนไม่หายเอาท่องอยู่นั่นน่ะอย่างเนี้ยมันมันไม่มีเจนวัดน่ะแในในเมื่อเขาบอกให้เกาะคําบริกรรมเกาะห้ามไปไหนเอาแล้วเกิดอีกคนก็เชื่อฝังอย่างมั่นคงในห้ามไปไหนก็ น, นั่งท่องมันจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับคำใช่สําหรับ อย่างประสบการณ์ของผมสมัยก่อนนะฮะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีคําบริกรรมแล้วยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ท่องคําบริกรรมเนี่ยแล้วก็มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคำบริกรรมมันจะหายไปแต่เราก็ยังอยู่ในสมาธมิมันจะหายไงในเมื่อถ้าถ้ายอมยึดหลักตัวนี้ว่าครูอาจารย์บอกว่าอย่าลืมคําบริกรรมโยมก็ต้องกลับมาท่องอยู่ดีพอลืมไปปุ๊บหายไปุ๊บจยมต้องกลับมาอย่างเนี้ยอ่าถ้าก็ดโยมก็ต้องนั่งคิดตลอดแล้วถ้าคนเชื่อมั่นในหลักการตรงแรกน่ยไม่ปล่อยหายก็หายไปเลยหายเ พ, ายเพราะเบื่อหรือเปล่าเมื่อยนั่งท่ออองมมากกเืออ แล้วปล่อยหายหรืงไงอย่างเนี้ยคือมันไม่มีเกณฑ์เลยไม่มีเกณฑ์ที่พระเจ้าบอกกัเลยว่ามันจะหายเมื่อไหร่อาการหายคือยังไงแล้วถ้าเกิดกรณีว่าคนคนนั้นเขาเอได้มาฟังคําพุทธวจนะแล้วก็รู้ว่าอฮคําบริกรรมไม่มีไม่มีที่พระองค์เคยตัดว่าให้ท่องใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังติดอยู่แล้วก็ท่องไปสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยหยุดอฮอันนี้พออนุมานพอไหวไหะได้ไหมถ้าเขาก็ยังติดอยู่ แ, แล้วแล้วเราติดของใครอะ่ะเราติดของใครอยู่ะใช่ไหมเราไม่ได้ติดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเท่ากับว่าเราติดคําที่แต่งใหม่ไงติดคำแต่งใหม่มาหน่อยหนึง่งอา่าใช่ไหมแล้วก็ค่อยลาทีหลังแล้วก็ติดคําแต่งใหม่ใช่มไหมซึ่งซึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าคําแต่งใหม่นี่อย่าไปฟังเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังและเราสนใจและเราศึกษา เราตั้งจิตเพจะรู้ทั่วถึงในคําแต่งใหม่อย่างเนี้อ่าซึ่งซึ่งตัวเราเองเท่ากับเราก็กําลังทําให้ศาสนาเนี่ยเสื่อมลงใช่ไหมอืมคือแตช่ช่วงแรกเนี่ยมันมันจะมันจะลําบากหน่อยเพราะว่ า, อ ย, าอย่างผม <c oughs> เพราะจากประสบการณ์ของผม ม, มันก็ติดคำพุทธโธเนี่ยกว่าจะหยุดตรงนี้ได้เนี่ยอืมก็ต้องใช้เวลาเหมือนบางคนติดลูกแก้วอะไรเงี้ยที่คุยพี่ไม่มันต้องมันต้องโยนทิ้งอะ่ะก็คืออย่าง คือมันจะมาอ้างติดไม่ได้อย่างถ้าถ้าภาษาลิบุตมาศึกษากับวพรุทธเจ้าแล้วบอกแม้ยังติดของสังชายอยู่เลยเนี่ยขอแถมหน่อยได้ไหมยังเล่นไม่ได้ตกเกย็นนั่งก่อกองไฟสักนิดนึงแหมยังติดอยู่เลยกนะ่ <laughs> อสักพักเดี๋ยวพักเลิกแล้วกันโอ้โหมันก็ไม่ขาดนะนะถ้ายกอย่างกระจายเลยพระคุณครับ <laughs> ขอบเรียนถามคุณอาจารย์ครับ Uh huh. อย่างกรณีที่มีผู้เอาชื่อเราไปแอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้อื่นนะคะ uh huh. แล้วก็โดนทางวินัยถูกไล่ออกจากราชการอย่างนี้ uh huh. หรือว่าจะเป็นบาปกรรมติดพันจากเราไปหรืบเปลบาปติดกับเราไหมเหรอ uh huh. ขอชื่อเราไปอ้างแล้วเขาถูกลงโทษออกไปมันจะเกี่ยวอะไรกับเราอะ่ะ uh huh. ก็เขาไปทําผิดเองนี่ uh huh. ทางเราจะต้องเป็นผู้ที่ให้ uh, ข้อมูลต่างๆ ไม่านข้อมูลไม่เกี่ยวกับตัวเราอย่างเนี้ยค่ะว่าสิ่งที่เข้าไปแอบอ้างคือไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่แล้วเขาก็ถูกแล้วอ่ะก็พระเจ้าก็ยังบอกเนี่ยเมื่อเขาถูกนําไปเป็นพยานเนี่ยนะเขาจะกล่าวเท็จหรือเปล่าที่พระองค์พูดในเรื่องของการกล่าวมุสาไงว่าคนถูกนําไปเป็นพยานเนี่ยเพราะเห็นแก่คนอื่นไหมเห็นแก่ตนเองไหมหรือเห็นแก่อามิตใดใดก็เลยกล่าวสิ่งที่รู้ว่าไม่รู้ ไม่รู้ว่ารู้นะโกหกไปอย่างเนี้ยเพราะเห็นแก่คนอื่นบ้างเห็นแก่ตัวเองบ้างเห็นแก่อามิตตอ์ใดๆบ้างยมกระทําอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเราไม่ได้กระทําอย่างนั้นแล้วบาปกรรมจะเกิดขึ้นมากับเราได้ยังไงใช่ไหมอ่าค่ะพระจ้าคะขออนุญาตถามคุณม uh ิ huh. อ, อนนะคะคือตอนมีข้อสงสัยตอนที่อาจารย์เขาสอนว่าอย่างถ้าถ้าเป็นสัตว์ประสาทอะคะ่ะ อ, อย่าง มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเกิดว่าขามันเจ็บก็คือต้องต้องต้องเหมือนฆ่ามันเหมือนกันนะคะฆ uh huh. ่ามันยาฆ่าเหมือนกันแล้วเหมือนกับถ้าตอนที่เราจบไปแล้วแล้วเราต้องเหมือนแนะนําเจ้าของเขาว่าแบบเราต้องฆ่ามันอย่างเงี้ยค่ะอืค uh huh. ล้ายๆกับกรณีเหมือนเราต้องทำเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะ oh. <c oughs> เราไม่มีวิธีคิดอย่างอื่นที่ดีกว่าไม้มล่ะคือมันเหมือนกับว่าปกติก็ เขาก็จะไม่เอามันไว้อ่ะค่ะไม่เอาเพราะเหตุผลอะไรแล้วถ้าเอาไว้แล้วจะเป็นยังไง <c oughs> เราไม่แจกแจงเขาให้ละเอียดละอ๋อคือเหมือนปกติเหมือนอาจารย์อสอนว่าอย่างม้าที่เขาเลี้ยงไวอะะ้อ่ะค่ะก็คือเขาถ้าเกิดว่าขามันเสียไปอ่ะคะ่ะมันก็จะเหมือนมันจะไม่สามารถยืนขึ้นมาได้อีกแล้วอะ่ะคล้ายๆกับเหมือนเหมือนกับถ้าอย่างเป็นของคนก็เขาก็จะแนะนําว่าให้ใ ห, ให้ทําการรุนยาคา่าอะไรแบบนี้คะ่ะคล้นคนที่เป็นหนักมากๆแล้วแบบ อ่าฮแล้วทําไมต้องเชื่อเขาไม่เชื่อไม่ได้เรือไงทําไมต้องเชื่อเขาเอาเหตุผลอะไรมาเชื่อเขาอ่ะก็ตอนที่อาจารย์สอนหนูก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดเวลาสมมติว่าเราจบไปแล้วแล้วเราต้องไปเหมือนนะนําเจ้าของเขาแบบนี้เราคิดเองเนี่ยคิดเองคิดเองเป็นน่ะใช่ไหมเราขาขาดอยู่อีกคนบอกตายซะ <laughs> <c oughs> อยู่ไว้ทาไมแล้วเราคิดยังไงเ่ะโหอ้ย่ยาเลย ขาฉันก็นอนได้นะฉันยังอยากอยู่ดูโลกแต่ว่าถ้าเราต้องไปแนะนําเจ้าของเขาแบบนี้จะคือเจ้าของเขาเป็นคนตัดสินใจอะค่ะอยากทราบว่าไม่ยมจะแนะนําอ่ะทําไมต้องแนะนําตามความเชื่อเขาล่ะเราคิดวิธีแนะนําเองเป็นไหมล่ะเป็นผู้นําเองเป็นไหมต้องเป็นผู้ตามอย่างเดียวหรือเปล่าล่ะในเมื่อเขาไม่ใช่สัมมาสัมพุทธ h เนี่ยคาพูดเขาย่อมมีข้อผิดอยู่แล้วใช่ไหมอ่างั้นถ้าเขาแนะนํามาเราก็ไม่เอาตามก็ได้ถ้าเราไข้ควรเองเออ ถ, ถ้าคุณเป็นเจ้าของนะคุณมีกําลังพอไหมที่จะดูแลมันใช่ไหมจ้างคนมาเลี้ยงไหวไหมเกิดเขารวยมากอะมีเป็นพันล้านอนะโยมจ้างพยาบาลมาดูแลใช่ไหมอนอนในห้องติดแอร์น ะ, ะดูแลอาบนะ้ำวา่าให้มันอย่างเดียวมันก็ยังอยู่ได้อะไม่ดีหรอแล้วเงินเขาก็เสียนิดเดียวอะใช่อืมอย่างนี้โยมก็ต้องดูเหตุปัจจัยอื่นไงใช่ไหมไม่ใช่ไปแนะนําเศรษฐีไอ้ค่าทิ้งซะ ทั้งที่ทโอ้โหเขาก็มีกําลังอะ่ะใช่ไหมมันก็ต้องต้องไข้ควรไงอืมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสุดท้ายเหมือนเขาถ้าหากว่าเราให้ทางเลือเขาแล้วเราเกิดเขาให้เราชใช่ให้เขาเลือกเองสิให้เขาเลือกเองแล้วแล้วแต่เขาว่าเออก็จะให้อยู่ก็ได้นะเดี๋ยวดีวฉันจะดูแลให้นะ <c oughs> จะแนะนําหายาให้หาพลาสเตอร์ให้หาอะไรต่ออะไรให้นะ แนะนำให้ในเรื่องนี้ว่าถ้าจะดำรงอยู่เนี่ยจะต้องอยู่ยังไงใช่ไหอ่าแล้วก็มีงบประมาณให้ไหมล่ะงาที่จะดูแลสัตว์ตัวเนี้ยใช่ไหมถ้ามีงบพอก็อดูแลไปอย่างเนี้ยการฆ่าจะได้ไม่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยเพราะว่าคือพอดีสงสัยอย่า ง, างถ้าสมมติกรณีอย่างไม่ใช่สัตว์ใหญ่อะค่ะก็คือพอดีมีเพื่อนไปฝึกงานที่เหมือนฟาร์ม ฟาร์มไก่แล้วคื อ, อเขาอย่างลูกเจียบเนี่ยค่ะเขาถ้าเกิดว่าลูกเจียบมันเหมือนมันไม่แข็งแรงเ่ยเขาก็จะดึงคอมันเลยเหมือนเขา<ช>ไมอยากแรงไว้ให้ขาดทุนแบบเนี้ยค่ะใช่ ใ, ชใชนั่นก็คือเขาคิดเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักไงใช่ไหมเขาไม่ได้คิดเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตน่ะอ่านั้นก็เป็นเป็นกรรมของสัตว์แล้วก็เป็นกรรมของคนคนนั้นที่มันมีการผูกเวรต่อกันทําให้เขามีความคิดแบบนั้นน่ะใช่ไหมถ้าคน <c oughs> ถ้าคนมีจิตเมตตาก็บอกโอ้ล้าออกดีกว่าอาชีพใหม่ใช่ไหมอย่างนี้ไม่ไหวรู้สึกทารุณเหลือเกินมันก็ทำไม่ได้อะใช่ไหมอ่าอาตมาตอนเด็กๆนะไปตกป้าทีเดียวนะดึงเกี่ยวเบ็ดออกมาโอ้โหเลือดมันไหลาอาพ่อชวนเท่าไหร่ไปตกไม่เอาเลยไม่เอาอีกแล้วคือมันปฏิเสธเองอะมันทำไม่ลงเนาะ อ, <c oughs> อย่างตอนตอนไปฝึก ตอนเป็นนักเรียนไปฝึกเนี่ยนะเขาก็เอาไก่มาใส่รถมาแล้วก็ปล่อยไปร้อยสองร้อยตัวแล้วก็ให้นักเรียนวิ่งไล่จับพอจับได้ก็หมุนเลยให้คอมันขาดแล้วรีบถลกหนังเราก็ไม่ทำมันเราเรื่องอะไรเนี่ยอืมไม่ได้คะแนนก็ไม่ได้คะแนนไม่คุมนะแล้วเราก็ไม่กินด้วยเนี่ยกดมื้อเดียวไม่กินตายเลยเนี่ยเราก็กินข้าวเปล่าเอาอย่างเงี้ยมันสงสารมันเนะี่ย นขออเสริมกับน้องที่ถามนะฮะก็เคยมีอาชีพอย่างเนี้ยผมกับพี่เนี่ยเคยมีอาชีพอย่างนี้นะะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะไม่ทําแล้วก็เลิกอาชีพมันไปซะอเพราะเราเริ่มต้นมาผิดอสุดท้ายก็ต้องเลิกนะเพราะมันไม่คุ้มเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็หน้าที่ก็เป็นผู้บริหารนะเส้นทีหนึ่งไก่ตายเป็นแสนเป็นล้านออย่างนี้ มันไม่คุ้มเราก็แนะนํนาก็ถ้าเลิกได้ก็เลิกแต่ว่าถ้าจําเป็นก็อ่เรื่องให้คนที่เขาสมาัครใจมาลงไ ป, ไปเราไม่ไหวกฎ<ร>มายก็เลิกไปแล้วก็เหมือนอย่างอาตมาตจะจบมานะมาจะจบเอ๊ะจะเลือกไปหน่วยลบไหมเรื่องอะไรจะเลือกโอ้ไปฆ่ากันไม่เอาดีกว่าชีวิตอาบชาวก็ช่างหัวมันอยู่หน่วยศึกษาไปใช่ไหมเราก็หักชีวิตเราเรื่องอะไรเราเลือกได้ไงใช่ไหม เรื่องอะไรจะต้องไปลบไปฆ่ากันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะขึ้นไปมียศมีตำแหน่งสูงมันไม่จำเป็นไงใช่ไหมอาจารย์ผม ข, ขอแชร์มนุคติทันยูเหมือนบัวค่ะบัวเหล่าที่หนึ่ง ฟังทำแล้วบรรู้เลยคือเลิกเลยว mm hmm. ัวเหล่าที่สองต้องรอเว ล, ลาก่อนวัวเหล่าที่สมอู้ทำไปเรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นพวกปัญญามากปัญญาน้อยหรือวัวเหล่าที่เท่าไหร่ uh huh. ถ้าวัวเหล่านี่ฟังทำแล้วแล้วบรรลุเลยก็มีฟังแล้วเลิกเลย <c oughs> สิ่งที่ไม่ดีเราเลิกไปเลยใช่ไหมคะ <c oughs> อันคือ <c oughs> พวกปัญญาอ่านะคือเขาจะเห็นความสําคัญของอะไรอ่ะเขาเห็นความสําคัญของชีวิตมาอันดับหนึ่งไหมอ่าถ้าเห็นความสําคัญของชีวิตเนี่ยเขาจะมองชีวิตเนี่ยสำคัญกว่าออู้ไม่เอาดีกว่าอะ เรายัางพอมีปัญญาเพื่อที่จะหาอาชีพอื่นได้เราไม่เอาปัญญามาอยู่กับอาชีพนี้ไปตลอดแน่เลยเราได้เงินมาก็โอ้ไม่คุ้มแลกอาชีวิตเขาเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวไงใช่ไหมอ่ามันอยู่ที่ว่าพอเราเป็นได้เป็นผู้สดับในธรรมปุ๊บเรารู้ว่าไในโลกนี้มันไม่ใช่ถูกหมด น, นี่อะไรถูกอะไรผิดเราเริ่มรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดชีวิตเราควรเดินไปในทิศทางใดถึงจะไม่เกิดโทษกับตัวเองใช่ไหม ที่ผู้เจ้าบอกพ้นภัยเวร5ประการเนี่ยเฮ้ยมันกำลังเป็นภัยกับตัวเรานะนรกกำเนิดเดชานเปวิสัยกำลังเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็เลิกซะอย่างนี้ใช่ใช่แล้วคนจบมานะไม่ใช่ว่าจะทาอาชีพนั้นตลอดนะเลิกไปโดยประยัยเดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยก็มีใช่ไหมบางคนเป็นหมอไปเป็นนักการเมืองก็มี บางคนไปโน่นไปคนละอาชีพเลยก็มีมันไปได้หมดน่ะนะมันอนิจจังไม่แน่นอนนะอขออนุ ญ, ญาตเรียนถามพระพุท เ, เจ้าค่ะาาการดูรูปนามเป็นนิสเนี่ยทำให้มีกระแสต่อพระนิพพานใช่ไหมคะก็ลาดเองโน้มเองีงเทงไปสู่นิพพานนะ่ะ เราเห็นรูปนามเกิดดับกำหนดรูปการเกิดดับของรูปนามได้โดยอาศัยกิจวัตรประจำวันในส่วนหนึ่งแต่ก็พื้นฐานต้องอาศัยสมาธิเป็นสำคัญใช่ไหมครับก็สมาธิคือความตั้งใจมั่นอ่ะถ้าเรามีความตั้งใจมั่นให้เห็นการเกิดดับนี่ก็เรียกว่ามีสมาธิละค่ะ ลูกค่ะอย่ยว่าไงนะทามเลยไปอฮทองหลังที่ทอฮมันเป็นคำของสัตว์ประเภทนี้โดยอ่าปแรกที่หลังเก่าอ่ากกีป้องัอฮใช่พที่หลังือฮที่จะต้องเป็นมันเป็นกรรมของเขาใช่ตัวอยาได้นมาตัวไหนล่มนั่นะนั่นแหละที่สุดแล้วแน่นอน อืมอ่าอืมใี่เพราะก็กลัวเสียงเงินเสียทองนะที่จะต้องมาดูแลรักษาอะไรอย่างนี้นะนั่นก็ดูตามเหตุตามปัจจัยนี่มันก็เป็นกรรมของมันน ะ, นะอาจารย์คะพระอรหันเนี่ยจะไม่ล่วงละเมิดสิขาบทแม้เหตุแห่งชีวิต อันนี้ยงจํามานะคะอันนี้พระเจ้าตัดใช่ไหมคะอืมไม่ได้ยังยังไม่ยืนยันบทเป็นชนะแล้วต่อซิป้าคืออะไรก็ยมเห็นว่ามีหลายคนบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นอาลาหันนันแหละคะ่ะยมก็เห็นพฤติกรรมของอาลาหันเนี่ยบวชให้คนที่มีคดีความก็มีบวชให้กระเทยก็มีซึ่งในนี้เนี่ยห้ามอยู่แล้วในอสิกขาบทนะคะเอวินัยว่าห้ามบวชกระเทย ห้ามบวชคนที่มีคดีความห <c oughs> นีทหารหารืออะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ก็มีผุ้คนที่เขาเรียกกันว่าเป็นอรหันเนี่ยที่บอกว่าตายแล้วมีพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยก<อ>รเป็นพระธาตุเนี่ยคะ<อ>บวชให้คนที่มีคดีความบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าเอ๊ะอรหันจะทําอย่างนี้ได้หร อ, อเขาจะไม่รู้เหรอว่าคนนี้มีคดีห้ามบวช หรือคนนี้เป็นกระเทยซึ่งมันสามารถเห็นได้ในลักษณะเห็นรู้ชัดนะคะ <c> ern, มสมัยนี้คือยมเห็นว่ า, า, นานนเขาบวชบวชกันมั่วไปหมดเลยค่ะใครๆก็บวชได้กระเทยก็บวชได้อยเลยอยู่ที่เจตนาเขาไม่แน่นอนก็อย่างสิขาบทสามกลุ่มเนี่ยในกลุ่มของอาจานะโจ ร, รสัมปันนานเนี่ยพระเจ้าก็บอกโสาบันสกิทาคามีอาานาคามีพระหลานก็ยังบกพร่องได้เหตุผลเพราะวะ่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมด้วยเพราะเหตุสักว่า เขาสักแต่ว่าไปละเลยไปอันนั้นแหะคือความผิดพลาดของเขาแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่รู้ว่าคนเนี้ยมีคดีความใช่ไหมคะพอบวชแล้วรู้ทีหลังเนี่ยคนที่บวชแล้วเนี่ยต้องสึกไหมคะอาจารย์ไม่ปรัอาบอบัติอุปชาอาบัตทุกกฎอาบัตทุกก ฎ, กฎก็เป็นอาบัตเบาผงได้ด้วยวาจาและคนนั้นบวชแล้วก็บวชเลยนะจะมีเฉพาะกรณีบรรพชาเป็นโทษสิบเอ็ประการที่จะต้องไล่สืบอกอกไป นั้นผู้เจ้าจะมีมีบัญญัติไปหมดว่าอย่างห้ามบวชกับคนพิการเนี่ยแต่ถ้าหลุดบวชเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีไล่ศึกนะแล้วกระเทยน ะ, ะคะแบบว่ากระเทยนี่ต้องไล่ศึกอยู่ในบนรรพชาเป็นโทษสิบเอ็ดประการนั้นวินัยตรงนี้ค่อนข้างละเอียดคุมหมดนะนะไมอคิดว่าถ้าเกิดพระทั้งหลายที่มีสิทธิ์ที่เป็นอุปชานะค ะ, ะละเอียดรอบคอบตรงนี้นิดนึง ก็จะพิสูจนก็จะไม่แย่อย่างนี้คือหมายถึงว่ า, าทุกวันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้คือไม่ไม่ไม่ระมัดระวังในการบวชให้ค่ะว่าคนนี้มาจากไหนไม่สืบประวัติไม่ใช้รห้ละเอียดก่อนอแล้วก็บวชหมดบางคนหนีคดีบางคนติดยาต้องถามอยู่แล้วน ะ, นะเป็นสิ่งที่ต้องถามอยู่แล้วอุปชาต้องถามว่าจะมีผู้เจ้าเนี่ยควบคุมไวปจะต้องถามอะไรบ้างอันตรายต่อการบวชที่เรียกว่าเป็นการถามอันตรายยิ่งกรมนะว่าจะมีหนึ่งสองสามเนี่ย เป็นโลกนี้ไม้เป็นอย่างนี้ไม้เป็นอย่างนี้ไม้เนี่ยแต่เขาตอบมาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นนแต่ถ้ามารู้ที่หลังก็ต้องดูตามเกณฑ์มารู้ที่หลังในกรณีใดให้ไล่สืบ ก, กรณีใดไม่ต้องไล่อย่างนี้ยอก็แยกเป็นกรณีอาจารย์คะอย่างเรื่องความหาัศจรรย์ของมหาสมุทรแปดอย่างเปรียบเทียบกับพระอรหันต์หรือพระอริยะบุคคลเนี่ยที่บอกว่าอ่า น้ำทะเลไหลร า, าดเอียงลงเอียงลงไป<อ>ใช่ไหมคะจากตื้นลงไปสิขาบทการบรรลุธรรมเนี่ยก็จะไม่ก้าวกระโดดก็คือโซดาบานันสกีทาคาอนาคาแล้วค่อยอรหัน์จะไม่อยู่ก็กระโดดไปเป็นอรหันเลยเ<อ>คือไล่ไปตามลำดับใช่ไหมคะทุตเจ้าบอกว่าเปียกเหมือนมหาสมุทรที่โนกโ<อ>น้มลึกลงไปทีละน้อยอแล้วก็อ่าักมหาสมุทรไม่อยู่คนกับซากศพ เ, <อ>เหมือนอรหรันไม่อยู่คนกับคนทุศีล คือคนที่รักษาสิกขาบทกับคนที่ไม่รักษาสิกขาบทเนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ได้ใช่ไหมคะยมก็นึกถึงวัดนาบางพงก็แตกต่างจากวัดอื่นอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าแตกต่างรักษาสิกขาบทใช่ไหมคะแตกต่างก็คือมันจะแยกออกมาชัดเจนเลยพระที่รับปัจจัยก็จะอยู่วัดนึงพระที่ไม่รับปัจจัยก็อยู่อีกวัดนึงพระที่รักษาสิกขาบทอีกวัดนึงอะไรเงี้ยค่ะยมก็รู้สึกว่าคําเปรียบเทียบอันเนี้ยดีเป็นคําเปรียบเทียบที่ดีค่ะระอาจารย์ Uh huh. uh huh. อืมอืนะฮะใช่เขขอโอกาสถามพระอาจารย์ค่ะคือว่าตอนได้ไปดูรายการนะคะแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นรายการผีแล้วก็อยากทราบว่าที่จริงแล้วพวกวิญญาณเนี่ยค่ะมาสิงสิงอยู่ในร่างคนได้จริงๆหรอคะในในทางพุทธวจนะค่ะมีมีม ทางพระพุทธเจ้าเคยได้บอกไว้บ้างไหมคะคือพระเจ้าบอกการได้อัตภาพแต่อัภาพหนึ่งแล้วเนี่ยจะไม่ได้อัตภาพอื่นนะการบัญญัติอัตราพระอวกบัญญัติอัตราได้3อย่างอัตราที่สําเร็จด้วยมหาพุทธธ่าสี่อัตราที่สําเร็จด้วยใจอัตราที่สําเร็จด้วยสัญญานะไม่มีลูกอย่างนี้และใครได้อัตตาแบบใดแล้วเนี่ยจะไม่ได้อัตตาแบบอื่น การที่ไปเป็นเทวดากายสําเร็จด้วยใจแล้วอยากมาได้อัตราที่สาเร็จด้วยมหาปุถุตธาตสีก็ไม่ได้นะจะทําไม่ได้แสดงว่าที่ที่เขาบอกว่าผีประสิงคอนนูนคนนี้ก็ไม่มีอยู่จริง <c oughs> ใช่ไหมมันก็มีมุมอิ่งนิดนึงที่บอกว่ามารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้ถ้าเธอเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยนะแต่ถ้าจิตเราไม่ได้ตั้งอยู่กับกายเนี่ยกายไม่มีไม่มีวิ ญ, ญญาณกลองไม่มีจิตกลอง อะไรจะเข้ามาหรือเปล่านะเพราะวิญญาณก็ตั้งอาศัยได้ในในท่าทุกท่านนะดังนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นอยู่กับกายเนี่ยอะไรก็เข้ามาแทรกไม่ได้ก็จะเหมือนกับพวก <c oughs> <c oughs> ที่พระเจ้าอุปมาพวกอสูรกับเทวดาลบกันพออสูรแพ้อสูรก็กลับมาสู่ภพของตนเทวดาก็จะทําอันตรายไม่ได้ถ้าเทวดาแพ้เทวดากลับไปสู่ภพของตนอสูรก็จะทําอันตรายไม่ได้ ถ้าจิตของเธอเนี่ยกลับมาตั้งอยู่ที่กายเนี่ยมันผู้มีบาปทั้งหลายจะทมอันตรายเธอไม่ได้ก็หลักเดียวกันต้องเอาจิตมากลับสู่ภพของตนอย่างเนี้อ่ามีข้อสงสัยนิดนึงก็ค่ะว่าสมมติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดจิตเราออกนอกกายแล้วก็มีมารเข้ามาแทรกในจิตเราแล้วจิตเราไปไหนเราเรจะกลับมาได้ไหม ก็ยังเป็นยังเป็นของเราอยู่เพราะเราได้กายเนี้ยนะเพราะ <c oughs> ใครได้กายที่ได้อัตราที่สำเร็จแบบไหนนะก็จะได้อัตราสำเร็จแบบนั้นเขาถึงเขาจะเข้ามาแล้วเขาเดิมเขาเคยได้กายแบบไหนอ่ะเขาก็ต้องได้กายแบบนั้นเขาจะมาได้กายอีกแบบหนึ่งไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ามันก็อยู่ที่หลักการใหญ่ตรงนี้แหละนะ สงสัยว่าในแต่แล้วพบภูมิไหมคะ่ะมีอินเตอร์แอคชั่นกันไหมหมายควา ม, มว่ามีอะไรนะใช่ปจิสัมพันธ์กันนะคะ ร, ระหว่างพบที่เหนือกว่าพบปกบติของมนุษย์แล้วก็เนี่ยเรากับเละสารก็มีเกียวกันก็เราพบกันนันก็อยู่ที่ว่ามันมีความหยาบละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกันเยอะแยะมากไปเลยอย่างอธิวดาอาศัยต้นไม้อ ย, อยู่อย่างนี้ อาศัยแม่อาศั ย, อ, ศยอุจปาถาเยอะแยะไปหมดเลยอาศัยปัตพีเป็นที่อยู่อาศัยน้ำอาศัยอากาศเป็นที่อยู่อย่างเงี้ยมันตัวธาตุมันมีความยากไปละเอียดเนียยิบเยีะบมากเลยและทุกอันเนียเป็นที่เกิดได้หมดตัวที่มีความ้ํำเลื่อมันเนี้ยมันก็พอจะเกี่ยวข้องแทรกเข้ามากันได้เนีย ดันั้นการที่สัตว์เนี่ยเห็นสัตว์ในพวบอื่นๆเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกว่าอยู่ที่อ uh, ินทรีย์ของแต่ละสัตวนะ์ที่มันไม่เท่ากันก็เลยทำให้สัตว์บางพวกเนี่ยเห็นบางพวกก็ไม่เห็นนะอาจาระมีความจำเป็นไหมคะที่จะต้องอนั่งกับเดินเนี่ย ใช้ระยะเวลาเท่ากันนะคะไม่จำเป็นเมื่อยก็ค่อยเปลี่ยนอิเรียบทถ้ายังไม่เมื่อยก็เดินต่อได้แต่ความเพียรมันจะลดลงไหมคะถ้าสมมติว่าเราเดินน้อยกว่านั่นนะคะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนไม่ไม่เหมือนกันแล้วแต่จลิตใช่ไหมคะต้องเรียกว่าแล้วแต่อินทรีย์ดีกว่าเพราะว่าแล้วแต่จลิตไม่มี ใครทำไม่ค่อยดูแจ้งทางด้านนี้เพราะอินทรีย์คือศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ส ต, แแตสิแล้วแต่วิริยะแล้วแต่ปัญญาแล้วแต่สมาธิอะไรอย่างนี้นนะครับคุณค่ะอาารอีกนิดนึงค่ะคือภิกษุ ที่มีคุณสมบัติเป็นอุปชาเนี่ยในพุทธวจนะเนี่ยที่พระเจ้าตรานี้ต้องมีคุณสมบัติยังไงคะพระอาจารย์กี่พรรษา อ, อยังไงขึ้นสิขึ้นสิบพรรษาขึ้นแค่นี้เองใช่ไหมคะอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นอีกสมมุตินะคะถ้าตามพุทธวจนะเนี่ยยังขออนุญาตพระอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะเป็นอุปชาหรือ ย, อยังถ้าตามพุทธวจนะนะไม่เกี่ยวกับกฎหมายจะพาคนมาบวชอ่ะ โยมก็มองว่าทุกวันนี้กฎหมายเนี่ยก็บิดเบือนพุทธวจนะไงคะก็คือแปลวินัยอะค่ะต้องมีตาตั้งถึงจะบวชได้อถ้าไม่มีตาตั้งก็บวชไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าเราจะเอาตามใครเอาตามพุทธวจนะหรือเอาตามกฎหมายที่ผิดผิดปกติอันเนี้ยที่มาแทรกอยู่ในพุทธศาสนาค่ะโยมก็เลยคิดว่าทําไมพระอาจารย์ไม่บวชเลยออ จะมีตำรวจมาเชิญตัวคือ <laughs> หมายความว่าถ้าเราบวชแล้วไม่มีตาตั้งเนี่ยพระสงฆ์ก็ไม่ได้จดทะเบียนไม่มีบัตรสุธิบัตรอะไรงนี้ใช่ไหมคะหรือเปล่าคะมันก็ไม่แค่นั้นนะ่งไม่ใช่ออกใบสุทธิไม่ได้อย่างเดียวกฎหมายมันโอ้ครอบจักรวาล น, นะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันครอบจักรวาลนะมันเลื่อนลดปลดย้ายคนได้ทั่วใช่ไหมอ่า ไปแก้กฎหมายก่อนดียจะเป็นให้อันนี้ก็ถามเอาไว้เผื่อเป็นข้อมูลถ้าเกิดกฎหมายได้ยินจะได้เปลี่ยนให้มันถูกพุทธวจนะอะไรอย่างนี้สังคุกค่ะอน้ใบ่ า, บายโมงแล้วแถมแถมต้องมาสืดหละ พอดีว่าเขาอยากจะถามแต่ว่ายังไม่เคยะคะอ่ะค่ะเขาสงสัยว่าคือคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วจะเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อตายมันไม่มีประโยชน์อะคะอ่ะอ๋อ <c oughs> ก็ไม่มีใครอยากเกิดแต่ความอยากอะมันยังมีอยู่ไนงะใช่ไหมความอยากเป็นตัวพาให้เราไปเกิดนะนะมมันก็เลยต้องเจอกับความตายด้วยทีนี้ถ้าไม่อยากตายก็คือต้องอยากเกิดไนงะ แต่ทีนี้เหตุปัจจัยการสร้างการเกิดมันมีก็ต้องมาดูว่าเหตุอะไรที่ทําให้สร้างการเกิดขึ้นมาได้ก็คือตันหนาความอยากเป็นตัวพาให้เราไปเกิดในอัตภาพต่างๆที่พองค์ต่อไว้กับวัชชะอย่างนี้ตันหาเป็นเชื้อของการเกิดแต่ทีนี้ตรากไดเรายังมีตันหนาความอยากยังไม่หมดเชื้อยังไม่หมดยไฟก็ยังลุกโผล่อยู่ได้ตราบเท่าที่มันยังมีเชื้อใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราทําเชื้อให้มันหมดแล้วเนี่ย เราจะให้มีไฟยังไงมันก็ไม่มีเพราะเชื้อมันหมดนั่นคือเราก็ต้องไปดับเหตุไงเข้าไปดับเหตุถ้าเราต้องการหมดการเกิดนะอย่างนี้เข้าใจเนา ะ, ะเดี๋ยวจะได้ไปพักกันนะ ขออนุโมทนากยกับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสังสมสุตตะในคำของตาตาคตก็ให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมของตาตาคตให้ได้ดวงใจทาสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาข้การนันใกล้โดยทุกการทุกตัน้นทุกคนเติน